เมื่อวานนะครับคึ่งโกสิยว่าสังหาบทที่ที่แปดนะครับที่แปดนะสามที่แปดรอะนี้ในการขาแล้วก็ได้ว่าไปจบแล้วนะครับ<ม>แต่ว่าในสมััตายัางมีอยู่นะเจอการบริพภคน้ำน่าสนใจหลายเรื่องผมก็จะมาวาดสามอีกเมื่อา<ม>าวา น, นพึ่งว่าการบริพ่อสียา มัวแรกครยังวาดไมจบเพว่าดไดสองข้ออันนี้สําคัญนะมันก็ไปเกี่ยวกับเรื่องการจัดบริสุทธิ์ที่สีนะครับสีบริสุทธิ์สี่อย่างนี้เนื่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยคือปาจิโมกขังวอนสีใี่ไหมครับปาจิโมกขังวอนสีนะแต่ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันนะครับหลายอย่างแม้แต่ปาจิโมกขังวอนสีนะถ้านบอกว่า จะรักษาได้ดีเนี่ยต้องมีกรรมานถ้าไปเรียนในนิสมันะ่ใครได้เรียนสี่น้านนี่แท่บ้างครั บ, ครบใครเนี่ผ่านไหมคราบตั้งแต่เริ่มเลยใช่ไห ม, มถ้าไม่ได้ขานรี้นน่าเรียนติดนะ <c oughs> ต่อตองที่อธิบายปฏิโมสังวรสิงท่านก็จะอธิบายปฏิโมทต้องใส่อะไรบ้างต้องใส่อาจาะแล้วก็โคจรที่นี้ครับ โคจระจะมีการพูดถึงนโคจอรอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอุปนิสยะพันธะโคจระนะคโคจรก็คือกรรมฐานอันเป็นที่เข้าไปผูกจิตนะครับตอนนี้นะจะเป็นเหตุให้ปัจจิมกสองวันสของเร า, ารักษาได้ดีนะครับนี่กลับมาดูเมื่อ ว, า, วานนะการบริโภคสีอยา่างก็คือหนึ่งสยญาบริโภค บริพ่ออย่างขโมยสองอีหนะน้าบริพ่อบริโภคอย่างเป็นหนี้สามทานทานยะชะบริโภคบริโภคอย่างเป็นทายาแล้วก็สุดท้ายสามีบริพ่อบริโภคแบบเจ้าของครับอืมนะมนที่บ๊วยได้อธิบายเป็นสองข้อแล้วคือบริโภคอย่างขโมยก็คือพี่สุดพูดทุ่สีเ ป, ป, ป็นปาราเซทแล้วใช่ไหมครับ ก็ยังมาบริพ่อเนื้อข้ามทางสองอยแล้วก็อีน้าบริพ่อบริพ่ออย่างเป็นนี้คือการบริพ่อของปิศาจผู้มีศีลอะไรแต่ว่าไม่ได้พิจารณาใชครับครับไม่ได้พิจารณาฝังใจนะครในการบริพ่อนะจึงชื่อว่บริพ่ออย่างเป็นนี้อนี้ก็อธิบายไปแล้วก็จากตรงนี้ให้ฟังหม่นะครับอย่าอีน้าบริบริพ่อแล้วบริพ่ออย่างเป็นนี้อะไรถ้าบอกว่า เพราะฉะนั้นนะครับที่สุดผู้มีสีพึงพิจารณาจีวรทุกขณะที่บริพ่องใช่สอนะครับพิจารณาคือใสยใจเห็นนะเราจะมา น, นั่งท่องบนรอดเวลาไม่ได้ใช่ไหมครับตรงนั้นทรงวางไว้เป็นแบกให้เรามูอนะว่าการพิจารณาจีวรคื อ, อยังไงประโยชน์เพื่ออะไรนะครับอันนั้นเป็นแบบนะครับในการใส่ใจนะทีนี้เวลาเราไปเจอสถานการณ์นี้นจริงๆเนะี่ยมันไม่ได้มาทุกข้อหรอก ป้องกันความร้อนความหนาเหลือยุงแดกใช่ไหมครับแต่ละครั้งมันก็จะมีปัจจัยของข้อแต่ลอย่างแต่ละอย่านี้นะบางทีเราอาจจะนาก็ได้เราใชรคว้าชีวอมองขึ้นครับบางีมันอาจจะร้องเพราะว่าโดนแดกใช่ไหมเราก็อาจีวอมองหัวคุมหัวนี่ครับบางทีก็ยุงมากัดเยอะใช่ไหมครับสีวอมองปุมตัวนี้นะซึ่งมันก็จะมีเหตุข้อแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ครับล้วก็ใส่จะเหตุวามจําเป็นในขณะที่ใช้เลยทุกๆครั้งนะ ทอามาบริโภคใช้อยนะครับที่หยิบมาใช้แต่ละครัง้งๆเลยอยันนี้แล้วก็บินธบัลพึงพิจารณาทุกคํากลึนโอโหสุดยอดทุกคํา ก, <c oughs> ก, กลืนเลยนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรเลยไม่ใช่หมายใ น, นเวลาชันไงในเวลาฉั น, น, น, น ไ, มไม่ไม่เกี่ยวแล้วจะเป็นบินธบาลไม่มีธบาลก็แล้วแต่นะครับแต่เวลาฉันนะก็ต้องพิจารณาทุกคํากลืนเลย นี่คือก่อนบบฉันก็มีการใส่ใจ็นความจําเป็นใช่ไครับว่าทําไมต้องฉันไม่ต้องพูดไม่ต้อ ง, าองหาเท่านั้นนะเมันจะบอกเองเกิด ค, ความหิวกระหายที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเป็นตัวบอกแค่เราใส่ใจนะดูที่ความรู้สึกนะครับมันก็จะรู้นะครับนีนะ่มันก็จะอกว่ามันหิวแล้วนะมันหิวไม่ได้ม่ต้องฉันอันนี้มันหว่านทุกแก้ทุ่งหิวนะครับอ น, นี้จะต้นนะแล้วก็ขณะที่ฉันน่ะ เราก็มม่จำเปต้องไปนั่งนึกตรงนั้นบ่อยนะแล้วก็มาใส่ใจที่ลูกตักลูกเคี้วนะครับถ้านั่งปฏิบัติจะรู้ใช่รับใส่ใจอาการคือกระลำตักระลเคี้ยวไปนะครับแต่ละค่องแต่ละค่องแต่ละค่องนะก็คือมีสตินะมีสติใส่ใจอยูตรงนี้แต่ไม่ใช่ในการบังคับนะครับถ้าบังคับปุ้มนะมันจะไม่ใช่พิจารณามันจะการไป็นโลภเข้าแทรนะครับมันก็จะไปตกเหตุาทาง สติปัญญาถ้าจะไม่มีการมังคับอย่างนั้นนะอา mm hmm. จารย์จะบอกเรให mm hmm. ม่ๆเราไม่เคยชินหรอกกับการทำอย่างนี้ใช่ไหมเราชินแต่ตามใจเีิดปัญหามาอยู่ mm hmm. นะเวลาฉันอ mm ่ะ hmm. อาจารย์บอกว่านะครับตาก็ดูนะครับ mm hmm. มือ <c oughs> ไม่ใช่ตาก็ดูมือขยับปากก็เคี้ยวใจก็คิดนะครับ mm hmm. ทำสี่อย่างในขณะเดียวกัน ตาเขาดูจะตั่งอะไรดีใช่ไหมขณะเดียวกันมือก็ตังังอยู่นะตาเขากำลังเคีย้ยวอยู่นะครับ <c oughs> อันใหม่ก็จะสั่งนะตาก็ดูจอดเอไหนนะครับตาเขากี้ย <c> ป <oughs> แล้วก็ใจก็คิดสงสารหนึ่งหนนี้ น, นะครับอันนี้ ป, นปกติของเราจะเป็นอย่ไไ น, นี้ใช่ไหมยิ่งชาล่าก็ยิ่งใหญ่เลยเขาไม่ได้ใส่ใจในกีรคุยกันด้วยก่อนก็ดูทีวีอะไรเพด้วยเหมือนกันยิ่งปรหญ่ดเลยอันนี้เรื่องไมได้พิจารณานะาพวกเราเราก็ใส่ใจครับ ให้อยู่อาการที่กำลังทำกันนั้นนะยิ้มสั่งยิ้มขีดนะครับได้แค่ไหนก็แค่นั้นนั้นไม่ได้มีการบังครับแต่เรามือมีการใส่ใจอยู่นะครับนี้นะถ้ามันชนะที่ก็จะรู้ได้นะครับจะเริ่มรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นนะครับนะต้องสายการฝึกนะครับแค่ฟังแล้วผมไปลองทําดูอาทิตย์นึง่งยังไม่พอนะต้องทําให้ชีวิตนะครับถ้ า, านะเราเป็นทาเนอสายเนี่ย ไปมาเข้ากรรมฐานก็ถ้ามีเวลาเอครับมันได้ฝึกค่าปฏิบัติเต็มที่เลยถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยอารมณ์มันหลาเองครับแล้วมันเีใจมันก็จะไปอื่นนะมันไม่ได้มาใส่ใจมันเต็มที่ถ้าเราอยู่ข้างนอกทําได้เต็มที่เลยก็ดีครับบันทีก็ทําที่เวลานะแต่เข้ากรรถานไม่เข้ากรรถานก็ให้ใส่ใจที่เจนิญนี่แหละแต่ว่าถ้าเรายังไม่เคยได้ฝึกเลยเนี่ยอยู่ข้างนอกแล้วใหมาทําันเหมือนเียร์ก็ยาก ้จ<ใ>ไม่มีกำลังใช่นะั้มแต่ถ้าไปข้ขอรำถามน่ะอาจารย์ก็บอกก็สอนอยู่บ่ อ, อยๆเด็กไปชุมเช่าหรือไปชุมธรรมนะครับเพราะฉะนั้นนะมันก็จะแน่ใจมันกาจะบอกครับ ม, ม่ได้สำเนียงแล้วก็สนะั่งการแบบเรั้นนะไม่ไปชุมธรรม่ถ้าคนที่เขาปฏิบัติได้ดีๆแล้วนะ่ะอาจารย์ก็ไมไนะ่ให้ไปววววนะให้ไอดูนการศึกษาดูแลแต่ถ้ากู้ใหม่นี้ก็ต้องไปนะจะไดไ้รู้รันครับ วาโดยประวัติเปนยัอย่างนี้นะครับทีนี้เมื่อไม่อ่านอย่างนั้นเพราะว่าส ต, ติสัมปชัญญะรายนี้ไม่มีกําลังนะไม่สามารถที่จะทำให้ชมเกิดได้เพราะยังฝึกน้องนะครจะต้องเฝิดเนี่ยทำไมฝึวนี้ไ่ไนะครับท่าไม่ต้องฝึกแล้วเนี่ยสําคัญมากเลยเกี่ยวความเป็นความอยู่ของเราเลยนะครับท่านบอกว่าถ้าไม่อ่านอย่างนั้นนะะยพึงพิจารณาในการก่อนชั้นก็ยังพอได้ครับ ก่อนที่จะทำมันก็พิจารณาใสจ่ใจถี่นนะหรือว่าจะปลาตีสังขายโยบอะไรยังก็ได้นะครับแต่เน้นว่าให้รู้ความหมายแล้วก็มีใจน้องไปงนั่นนี่นะครับมีใจน้องไปความจริงที่ท่องปลาตีสังขาโยบเอาเอาแปลด้วยนะมันไม่ผิดไม่ได้บางมุกกรรมอะไนครับเราก็อย่าท่องเป็นนกแก้วนกหงษทองก็แล้วกันให้มันรู้ความหมายแล้วก็น้องใจจะต่างนั่นครับนี่นนะตองก่อนจะชันเนี่ยนะบางวันเขาจะมีใช่ไหม ขยุต า, า, า, าราภาษาอยู่กาะนะคับบที่ก็ชันพิีกรรมเป็นภาษาบาลีนะคนตั้งบทีนะถ้าแปลได้ใส่ใจทันเปาา็นไทยเป็นภาษาบาลีทุ่นประธานนะแต่ส่วนหญ่บาลีตัวเสือไม่ทันกันใช่ไหมเป็นภาษาไทยนะครับท่านแต่ถ้าเกียรการปฏิบัติก็เราก็ใส่ใจเห็นได้เลยไม่ต้องท่องก็ได้เราใส่จเหความันเป็นดเลยหรือว่าหลังฉันนะครับโอ้ยฉันเปน็น ต, ตลอดเลยนะ มันไปไหนที่ไหนไม่รู้ตเที่ยวใหญ่นะครับอเสร็จแล้วนะครับอันนี Wolf ้ก mm ็พ hmm. ิ like 6. จารณาติดหน้าแล้วก็หรือว่าหลังฉันก็ไม่ได้พิจารณาเอายามต้นก็ได้นะนึกขึ้นได้กลางกลางคืนนะยามต้นตั้งแต่หกโมงถึงสี่ทุ่มนครับหรือว่ายามกลางสี่ทุ่มสีสองหรือว่ายามสุดท้ายนะครับได้สี่สองหรื ถึงไห6โมงกางอนุขึ้นนะครับกางอนขึ้นนะ่ิจารณาไหนครับที่แนวย้อนหลังนะครับเป็นไงครับเวลาอาชมนาอยนะครับจะมีความแปลงอะไรมครับน้องใช่ตอนนี้เหรอําลบินทะบาทที่เราฉันแม้ในวันนี้ใช่ไหมครับไม่ไดเป็นไปเพื่อความสนุกสนานนี่แหละแล้วก็น้อมนึกน้อมย้อนไปถ้าที่เราทำไปแล้วที่ฉันไปแล้วใช่ตอนนี้ครับว่าาเขา เออไม่ไม่ใช่นะเราไม่ได้เราผ่านันแล้ไงผมาไม่ได้ขนานั้นใช่ไหมเราก็ต้องมาภาวนาทีหลังนะครับก็ถือว่าได้นะคือถ้าสมมติการปฏิบัติแล้วมันก็ไม่ทันแล้วแต่ถ้าหมายถึงว่าการจะเป็นนี่ไม่เป็นนี่ในที่นี้นะครับถ้าอันนี้มันทันขึ้นหน้าเราพิจารณาทีหลังเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับหากเมื่อเธอไม่ทันพิจารณาอารมณ์ขึ้นย่อมตั้งอยู่ในฐานะบริพ่อนี้นะครับไม่ได้พิจารณาอะไรนะ ครับอืมันขึ้นปุ้มนะก็ถือว่าอีกน่าบริโภทอนะอกเรื่องเจนี่หนักมากนะโอเคการบริพเทอนี่โทอขนาดนี้นครับผมไม่ไป็นหลอดฐานเ อ, นเน อ, นะเนอ็นนะครับที่ว่าโทษเป็นยังไงแต่ไปฟังลูกศิษยนงานสมมนาตามขยอยทีจะพูดห น, น, นึ่งใจไม่ผิดนะครับบอกว่าเปลด น, นะไม่เพรออาะจะกำเนิดนรกและเปลดแบบนนะี้ เออโอ้ยหรือก็บางที่นะผมผมไม่ได้ไปจำอีกที่หนึ่งนะแต่ไม่แน่เพราะท้าวค่ะบอกว่าอ่ามันพราะจะกำหนดของยักและแปลกนะครับโอ้ยหนักนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ใส่ใจในี่งเสร็จแน่นะครับนึกษาศึกษาปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัตินะเอาได้เรียนปริญญาอย่างเดียวมันไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกนี้ที่ว่า เนี่ยครัโอ้ยตายก็จะเป็นแปลกอย่างงี้น่ะโอ้ยทุ่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยนะครับทุกต้องหายใจนะเนี่ยก็คิดเจอนะว่าอาชญาไมยากก็ได้มีใจน้องตามไปหรือถ้าเข้าถึงการปฏิบัติอะไรก็จะดีนะครับถ้าเราปฏิบัติจน ม, มันพอคุ้นเคยปฏิบนนมมัตินานใช่ไหมถึงออกมาไม่อยากติดนะครับมันก็จะมารู้ได้นะมนไม่ไม่รู้ติดต่อเราเพราะมันเป็นจิสัมปชัญญาเราไม่ได้แข็งขึ้นครับ มันก็จะกลับขึ้นมารู้ได้ครับรู้ได้ไหนพอฉะนั้นไม่ได้เลยมีโอกาสมีเวลานะครับเข้าคำถาเลยผ <c> ม <oughs> พ, พูดกอกหูแล้วมีาบ่อยมากนะตอนที่สอนมาลีนะครับยิ่งโดยเฉพาะตอนสอนแปลภาษาพมาบทเนี่ยข้างบนเนี่ยพูดกอกหูแล้วมีสารเยอะอันนี้นนครับอันนี้นครับเนี่ยเมื่อกี้ชีวิตของเร่างจริงนะครับถึง ความเปนะ็นความนั้นนะพรหมมีพหน้าเราจะไปที่ไหนนะครับตรงนี้ยสําคัญมากเลยท่านบอกว่าเรนนื่องธรรมสมาธิสำคัญ น, นะครับถ้าไม่ได้พิจารณาในอารมณ์ขึ้นเอ่ย่อมตั้งอยู่ในฐานะบนริเพาะนี่แม้แสนสถานนะครับก็พึงพิจารณาทุกขณะที่ใช้สอนก็อยูทุกครั้งที่เราจะก้าวเ้าเข้าปุตินะครับอย่างนี้เลยนะทุกครั้งที่จะมานั่งมานอนบนเตียงบนตัยนะครับ มานั่งบนกางกอี่นี้นะก็ให้คิดเจริญนะครับก็ใส่ใจเหตุความจำเป็นหรือมีสติใน่านทาไปแต่ตรงนี้ถ้าไม่ได้จรได้สติปัญญาไม่ได้ฝึกการปฏิบัตินี้เสร็จเลยใช่มข้ามไปโอ้ยข้ามไ้ามไปรว่าน้าไห่สองครับนี่ผมเดินเข้าเดินออกไม่คิดอะไรที่สใจเลยไม่สนใจบันท่านที่ลงมาหนึ่งสองสามสี่ อ้าแล้วหกธรรมทาติที่ห้าเนี่ยที่ห้าใช่ไหมคึงพิจารณาทุกขณะที่ใช้สอนที่นะ่นคำอธิบายมีการทํานผู้เลี้ยงฟังว่าทุกครั้งที่เข้าไปในสตินะครับเราก็จะรู้ว่าทําไมเข้าไปเพราะว่าฝนมันตกใช่ไหมแดดมันออกมันร้อนเราเหนื่อยเราต้องการเข้าไปครั้งเข้าไปศึกษาหรือปฏิบัติไปดูหนังสือนะครับไปอยู่ในนะั้นป้องกันนั้นนะ เความหนาวเพื่อป้องกันความร้อนนครับเพื่อป้องกันเหลือบมินลมแดดอย่างนี้เป็นต้นนะมันเป็นอย่างนั้นจ ร, จริงนะถ้าฝนตกเนี่ยเราจะไปอยู่กลางแจ้งได้ไหมไม่ได้ะมันก็ควยเดี๋ยวมันเป็นไข้หวัดเนอะไรขที่มาเราอยู่ไปเลยแหละไม่ต้องเข้ามานาันอีกาทันผมไม่ได้เนี่ยมันเพื่อป้องกันความหนาวเย็นนะที่มันเกิดมาจากฝนไม่ได้นะครับหรือว่าอากาศหนาวนะอากาศหนาวนะครับลมพัด คือบางเทีถ้าอากาศร้อนเนี่ยบางคนบอกว่าอ้าวเราไม่ชอากุติกก็ได้ไปนั่งล่มไม้อาจจะเย็นกว่าใช่ไหมครับแต่ถ้าปบรรยากาศหนาวนะยิ่งหนาวที่นี่ด้วยนะครับลมทะเลแรงมากนะลมโก่งแรงเลยออกไปนอกกุตินี่นะครับโอ้ทรมานนะถ้าเดือนไหนที่มันหนาวๆนะครับมันจะโดนลมตลอดนะครับแล้วลมแรงมากนะในี้หมครับพอเข้ามาในกรุตีมันจะรู้สึกเลยนะความแตกต่างเขาโอ้มันอุ่นสบายเนาะ ไม่โดนลมอย่างนั้นเนี่ยความรู้สึกมันจะชัดเจนเลยนะว่าป้องกันความหนาวนะครับป้องกันความร้อนเหมือนกันเจอแดดร้อนๆหรือว่าไม่มีโลกไม้มีอะไรเลยเนี่ยแล้วเข้าไปหลบในสติที่อยู่อาศัยนะครับป้องกันอะไรนะแดดใช่ไหมนะครับลมนรือนยืนลมแดดสากเสือพายอย่างนี้เนี่ยมันก็พึิจะมาใส่ใจไปนครับปณิสังขายโยนก็ได้หรือว่า แล้วกรรมฐานก็ได้นะสายใจควนนออามจำนอความมีสติเป็นปัจจัยทั้งในขณะรับทั้งในขณะบริโภคเภสัชย่อมควรถ้ายาเนี่ยโอคนหขนาดเลยนะทั้งใ น, น, งใ น, น, งในเพรานะาต้องมีสติเลยนะครับมีสติพิจารณาเรารู้นะครับท้งในขณะเราบแล้วก็ขณะบริโภคแม้เมื่อเป็นอย่างนั้นก็เป็นอาบัติแกุ่ผู้ทําสติในการรับ ในตอนรับมาท่านมีสติท่านรู้เห็นว่าธ่นรับม า, าเพื่อเพื่ออะไรท่า น, นาป่วยท่านการจะใช้เขาก็รู้ท่านมีสตินะครับแต่ว่าไม่ทําไม่ทําในการบริโภคอย่างเดียวแต่เวลาฉันท่านไม่ได้ใส่ใจความจําเป็ น, นปนะครับชันไปเลยนี่นะไม่ใช่พิจารณาก็ยัตงนะยต้องอาบัตนะครับยังต้องอาบัต น, นะครับเป็นอาบัตทุกกฎนะคะอันนี้นะแต่ว่าไม่ ปัจเจ้าสันนิษฐานสีนะเราไม่ขางนครับปัจเจ้เราถือว่ามีการพิจารณาแล้วนะก่อนที่จะฉันตอนรับมาใช่ไหมครับแต่เวลาที่จะฉันเนี่ยเราไปดันผ้านะมาจะส่งใจไม่ที่พุ่งสร้าบมันทะแลกแนะครับแล้วมัรล้วนนี่แหลฉันยาไป่ได้หล่ะหมดเครียดแล้วนะอนี้นะครับอันนี้ก็ไม่โพอหาบัตเพราะว่าไอ้ตัวฟัเตโมที่นี่น่ะเอาขนาดที่ฉันจริง เพราะในขณะสัญญาต้องตั้งเอาไว้ี่ดีนะครับตัง้งตัวตีี่ดีนะเนรุดในการคือปฏิญา้สมิสตุสิงี้นะครับคือตรงเนี้ยเราไม่เช hmm ื่อเป็นหนี้ครับจงว่าไอเราพิจารณาตอนใดตอนหนึ่งนะฝ่าอารมณ์ขึ้นนะครับเราไม่เชื่อเป็นหนี้แต่ว่าถ้าตอนฉันเนี่ยเราไม่ทํำพิจารณาเราจะต้องบัตรที่กด พรา่อปันนิโมกกับสังวราศีนะธรรทุกข์ก็ปันทหดสังวราศีแต่เราจะปฏิหน้าบริโภคเพราะว่าไม่ได้พิจารณาปัจจัยเนี่ยไม่เป็นครับเพราะเราพิจารณาแล้วนะครับแต่ปันนิโมให้มันอย่างนี้ว่าไม่ได้นะตอนตอนที่สามนั่นเองนะคอันนี้แต่ไม่เป็นอาบัติแก่วิสุขผู้ไม่ทำสติในการรับเวลานั้นท่าไม่มีสติใช่ไหมทําแต่ในเวลาบริโภคพ่อ แต่เวลาถามเพิ่มิีอันนี้ก็ไม่ส้อารถบอกนครับยนียนน้ต่อไปนะครับอันนี้ก็ได้ น, น, น, น ะ, ะนะการคริพภคสีอยา่างต่อไปก็จะพูดถึงสุดที่นะครับความบริสุทธิ์สีอย่างคือเทศนาสุดธินะครับหมดจดด้วยการสแสดงอันนี้น่าไสหาตังนิด น, นึ่งครับที่ขั้นปลายว่ามีการสแสดง เป็นความบริสุทธิ์นี่นะครับสุดที่คือเทศนาการสแสดงทางธรรมเชื่อรทศนาสิทธินะครับความบริสุทธิ์นั่นนะคระบแต่ตามท่ขนาดแต่ตามนะครับเทศนาสุดนะนะที่หมดจดด้วยการสแสดงหนึ่งสังวรสุทธิหมดจดด้วยสังวรหนึ่งปริยัติถิสุดที่หมดจดด้วยการสแสวงหานึ่งปัจเจ้วัขณะสุดที่หมดจดด้วยการพิจรารณาหนึ่ง บรรดาสุธิความบริสุทธิ์สี่อย่างนั้นปาจิโมกขสังวรสีชื่อว่าเทศนาสุธิเนี่จะหมดจบได้ด้วยการสแสดงนคะครับท่านจะอธิบายนะก็ปาจิโมกขสังวรสีนั้นท่านเรียกว่าเทศนาสุธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยการสแสดงครับหมายว่าเวลาเราต้องอา บ, บัตแล้วใช่ไหมเราก็มีการกรองอา บ, บัตการทำคืนใช่ไหมครก็บริสุทธิ์ขึ้นมาได้อด้วยการแสดงที่นี้นะเอาทั้งการสแสดงอา บ, บัต น, นคะครับ การบองอาบัติตธรรมดาการออกตาอาบธรรมดุดเสเด้วยการกล่อมขึ้นบ้านขึ้นครับหรือแม้แต่การสึบไปของพี่สุภต้องอบัรปาราชิตนะครับชื่อว่าสุดแดนนี้ทางนั้นนะนะครับเพราะว่าพอเขาโงงบัปปาราชีด้วยการสึกไปเนะี่ยเขาก็บริสุทธิ์ใช่ไหมคือเป็นโยมนะเป็นโยไปครับก็ไม่ตั้นสมนิพพ์อะไรอันนี้เพราะฉะนั้นปัจจุบันสังวงงรศีนี่ถึงชี่ว่าเทสนาสุขี พอจุบริสุทธิ์ได้ดวยการกดดันต่อไปอินทรีสังวรศนะครับชื่อว่าสังวรสุธิก็อินทรีย์สังวรศนั้นท่านเรียกว่าสังวรสุธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยสังวรคือการตั้งจิตอธิษฐานว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีกเท่านั้นนะครับนอินทริยะสังวรศีซึ่งคือความ ส, บสมบูรณ์อินทรีย์นะครับอันนี้นะ เวลาตาเห็นรูปนะครับหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นแล้วก็ไม่เสียนี้ไม่ได้อนันดับชนะไม่ธรรมดาเนี่ยนยต้องขั้นปฏิบัติอย่างนี้ถึงจะทําได้บริสุทธิ์ดีนะครับอิบนทรียสองมรณะสีเนี่ยนะถึงเราคือพอเจอภาพสีกปุ๊บไม่มีการเสียนี้มีอได้อันดับชนะมันเป็นไปชา้าไม่มีอะไรนะอันนี้มันก็คือนะครับสั่ทรงของฌีอาการ์นะ ที่เให้เรารู้ว่าคนนี้เป็นหญิงหรือว่าเป็นชายซึง่งคําถามที่มันรวมนะครับอันนี้นะส่วนนะครับอนุเยีญชนะก็คือรายละเอียดสิ่งย่งนะอเนี่ยไอ้ที่เรารู้แล้วนิมิตอย่างนี้นะขนาดอย่ า, างนี้จะไม่รู้ต่านี่คือผู้หญิงแต่มันไปใส่าจาอนุเฉียนชนะจิตยานย่อเลยนะครับอ๋อเสียงเสียงผู้หญิงเรารู้แล้วใช่ไหมครับแต่แค่เสียงแหลมแหลม่ออย่างงั้นพอนอย่างนี้นะครับมีอย่างนั้นอิกนะแล้วก็ ครับท er ี่จะเรียกว่าอนุเพียนชนะเพราะว่าทำกีเลยนะครับให้ปลากระฉัดขึ้นนะพอเราไปใส่ใจอาการแต่อาการหนึ่งใช่ไหมเรารู้ว่าเป็ผู้หญิงไม่พอนะเว้ยชื่อดกไม้แก้มนิ่มอะไรงี้ยนะนั่นเขาแปรอนุเพียนชนะทั้งหมดนะครับมันทําให้กีริยน่ะมันทชันเจนขึ้นเกิดเยี่วขึ้นครับเพราะเราไปใส่ใจตรงนั้นอันนี้นะถ้ามีอินซีนสองวงสีน่ะมันจะไม่ใส่ใจมิขนาด ไม่มาใส่ใจอย่างนั้นเลยนะไม่มาใส่ใจอย่างนั้นเลยอันนี้นะครับยากเหมือนกันแต่แล้วก็เท่าที่ทำได้นะครับแต่ถ้ามันค่าไปแล้วนะทั้งธรรมดาถ้าไปเจอผุ้มเือของเราเดี๋ยวมันคุณเผือกใช่ไหมมารู้แล้วตื่นเต้นชาเจอผู้หญปุ๊บอ๋อนางพญาวาสสวยไม่สวยรู้ทันทีเลยใช่ไหมบางทีเนี่ยมหาจะไม่ไม่ได้ใส่ใจมากนะครับมันแค่รู้แป๊บเดียวเานั้นใช่ไหม แต่บางทีถ้ามันเกิดกิเลสมันจะฝังเจ็บเยอะกว่านั้นนะครับร้านเนี่ยปิดย่อยซวยอย่างนัไม่สวยอย่นี้แล้วก็มองดูนั่นแหละนะครับอันนี้เสียนั้นเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วไม่ไหวแล้วนะถ้าผมว่าต้องทําที่ถ้ามันพลาดแล้วมันพลาดกันหน้าใช่ไหมก็ต้องตั้งใจใหม่นะครับว่าเราจะไม่ทําอย่างนี้อีนี้ห้องนั้นนะครับคิดว่าห่นะครับสังวรยินดีสังวรและเสียดนะ ผมว lee, like so ่าข้อนี้ผมว่ยากที่สุดเลยนะงากสุดนะครับถ้าไม่นั่นก็ถ้าไม่เนื่องการปฏิบัตินะไม่ได้เกี่ยวกับารปฏิบัติก็ลาบากเหมือนกันนะครับแล้วก็ง่ายๆว่าไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูใช่ไหมไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังไม่โดนไม่นี้ไม่ถูกต้องในสิ่งที่ไม่ควรครับเราล่าหลีกไว้นะพอเราเห็นเราได้ยินเราเกิดกี่ดแล้วก็รู้่นั้นะครับไม่ต้องไปอันนั้นมากนะครับ ต่อพิจารณารายละเอียดอะไรนี้นะนะครับถ้าพลาดแล้วก็ตั้งใจใหม่นี้แหละนะครับท่านก็เยเรียกว่าสังวรสุธินะครับร บ, บริสุทธิ์นะเพราะบริสุทธิ์ด้วยความสมรวมนะ ค, คือการตั้งใจนี้นะต่อไปอาชีวปริสุทธิ์ที่ศีลนะครับาศีลคืออะไรความบริสุทธิ์แห่งนะอาชีวการณ์ทีนะ่ชื่อว่าปริยทติสุธิบริสุทธิ์ ด้วยการแสไลหาก็อาจีว่าปริสุทธิ์ที่สี่นั้นท่านเรียกว่าปริยิสุทธิสุดที่เพราะเป็นความบริสุทธิ์ด้วยการแสไลหาของวิสุทธิ์ผูละอเนสนาแล้วยังปัจจัยทั้งหลาให้เกิดขึ้นโดยธรรม้วยสม่ำเสมออเนสนาเ น, นานะีน่ยวิสุที่มรกคใช่ไหมเรียนมาแล้วข้ามใจเลนะยใช่ไหมครับการแสไลหาที่มา่สมควรมีกุหนาและปะนา ในมิติจิตตานีิเป็นศิกตาลาเสนลางทางนิทิถิสมนตตาอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับก็มีการหลอกลวงการพูดทักตั้งค่าวางอิริยาบทพูดอีกครั้นอะไรนะเยอะแยะหลายอย่างนะครับพอเอาให้จำไน้สักอย่างก็แล้วกันหลอกลวงขนาดว่าอะไรนะหลอกลวงทาเหมือนกับว่าตัเอนเป็นคนมากน้อยสันโดษัลยนะ หลอกลวงประชาชนคุ้ยข้าวลูกสายศรัทธาเอาของมาถวายเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันจะมีใช่ไหมอะไรนะด้วยการสร้งปฏิเสธปัจจัยคุ้ยข้าวสึกหน่วยสระทานะครับและต่อไปกอไม่เอาไม่เอาธรรมะไม่เอามายมาดีกันไปถ้าธรรมดาอ๋อยนี่ยนี้นะวูไม่เอานรอมากมากอย่างว่าโอ้ยยิงศรัทธาใหญ่เลยนะครับที่หลังเนี่ยโอไม่ใช่ธรรมดานั่นแพระผาจากองนี้แหละ ก็เลยมาถวายถวายถวายใหญ่ท่านก็เลยล่าครับนี่เป็นต้นนะรู้ว่าการแตกอิรายาบุต่างๆนี่ามีหลายอย่างเนี่ยก็ไปดูในทมานะครับที่เนนิเทศเนี่ยแม้แต่พูดทั้งมีเจอโยมาอายยศใหญ่ขอนะท่านมาหาอะไรนะท่านธนบดีนี่นะท่านมาหาธานบดีไปไหนไปเ <c oughs> <c oughs> พื่อผู้ชมนะ้ ย, ยออน่รบองมั่นเท่านั้นนะครับ มันจะมีหลายอย่างที่มันย่อมยอแล้วก็ย่อมยอให้หนักขึ้นนะครับนี่ก็มีแล้วนี้คือย่อมยอนะครับก็รื่มงสาสัทาาปื้ยนะครับเขาอยากจะถวายเพราะว่าถือว่าเขาเป็นมหาธนบดีใช่ไหมหรือถ้าคนที่เขาไม่ถวายก็พูดไหว้เขาเลครับว่า้เขาอย่างนี้นะพอจําได้ที่มีคำไหว้อย่างนี้นะเราจะกล่าวคนที่ก็ให้คนอื่นอยู่เสมอเลยนะเราเราจะพูดถึงคนที่ก็ให้นะ คำว่าไม่มีอยู่เสมอเนี่ยเพราะว่าเป็นผู้ไม่รู้จักให้ได้ยังไงเขาให้ตลอดเลยคนนี้น่ะรใช่เพราะว่าไม่มี <c oughs> คนที่พูดคำว่าไม่มีอยู่ตลอดเนี่ยเราจะบอกว่าเขาไม่รู้จักให้ได้ยังไงคําไม่ใช่ชายยกได้ยังไง <c oughs> อันนี้นะคือแบบพูดเน็ตแอมพูดว่าต้องนะครับเอะไรเพื่อต้องการเขาขับไอ้เขาจะได้อะไรมาถวายนะในนี้เขาโดนหมดเลย น่ะเรียนนั้นสนุกนะมราจิงสนุกในเรียองของอเนสนานะครับอย่างนี้ก็ละอเส น, นาหรอก น, นะครับก็แสวงหาปัจจัยด้วยชอบทำน่ะด้วยการเที่ยวบินทะบาทเป็นต้นนะครับปัจจัยบริโภคด้วยการแสวงหาเอช่ด้วยการแสวงหาหรการบินทบาทเป็นต้นน ะ, ะแล้วก็อเส น, นา ต่อไปปัจจัยบริพ่อนะครับปัจจัยปัจจัยบริพร่อชนิดสิทธสีนะครับปัจจัยยากบริพกัสชนิดสิทธสีนะสิ่งที่อาศัยการบริพร่อปัจจัยนะครับชื่อว่าปัจจัยวขนาดสุทธินะครับจริงอยู่ปัจจัยบริพร่อชนิดสิทธสีนั้นท่านเรียกว่าปัจจัยวขนาดสุทธิเพราะบริสุทธิ์ด้วยการพิจรารณาครับนี่นะที่เป็นนี่ไม่เนนี่มันเคียนะ ทิพเมือ่อพาะเจ้าตัดไว้โดยนายมีอาที่ว่าทิสุย่อมพิจารณาโดยแยกคายนะเศจีวรดังนี้นะครับที่ว่านี่นะคะรับปัจจัยทั้งสี่นะครับทุกอย่างเลยนะเพราะงี้ถ้าเราพิจารณาปัจจัยเหล่านี้เน่ะก็จะเป็นเหตุที่เป็นเหตุให้เป็นคนที่มากน้อยสันโดษได น, นะครับไม่มกักมากในปัจจัยมากถึงกันเพรามันสายใจถึงเหตุความจาเป็นแล้วใช่ไหม ว่าทำไมต้องใช้ต้องฉันใช่ไหมครับต้องลุ่มต้องหมเนี่ยมันเป็นสายใ จ, จถึงความจําเป็นของปัจจัยแล้วมันก็จะเอาท่อที่จําเป็นข้อที่อย่างนั้นนะครับมันไม่จะมั่งมากไม่มากมา ก, มากปัญหาไม่ีที่สิ้นสุดไม่ไม่อย่างนั้ น, นพอพิจารณาแล้วนะครับความมั่งน้อยกับสันโดรเนี่ยมันมีความต่างกันใช่ไหมครับต่างกันนะมั่งน้อยแล้วก็สันโดรสันโดรแปลว่ายินดีในของที่มีอยู่ใช่ไหมครับต่างกันยังไงข้ามั่งน้อยกับสันโดรนี่ นยเอาแต่น้อยบ้างน้อยคือของน้อยๆใช่ไหมแต่บ้างน้อยก็คือนะครับม้างน้อยนี้อาการมันเป็นไปในขณะที่แสวงหานะเป็นไปในขณะที่แสวงหานะครับของหน้า้นบ้างน้อยคือไม่มากมากจนได้เอาๆๆอย่างนี้อย่างเดียวนะเขาจะแสวงหาเข้าที่มันจะเป็นเท่าที่เหมาะสมนะครับ อันนี้มังน้อยนะจะเป็นไปในคราวที่สบายหาแต่ถ้าสันโดรเนี่ยเป็นไปในคราวที่ได้มาแล้วนะครับมันจะเป็นของมากของน้อยดีไม่ดีนะเตือยได้ามาแล้วก็ยินดีด้วยของที่มีนครับไม่จะเป็นไมนจะต้องน้อยหรือไม่ดีอย่างเดียวนักจะดีเนีน่ไม่ดีหรเป็นยังไงนะครับถ้าก็จะยินดีด้วยของที่ได้มาแ้วนะครับแม้แต่เป็นพระราชานะอะไรนะมีราช ส, สมบัติขึ้นไม่มีแหวนแควมีเครื่องสมบ ات, อะไรแย่ๆนยครับ ก็เป็นผ <ım. S 2> ู mm ้ท hmm. well. ี่ม well. ั่อ่สันโดษได้นะครับอย่างเช่นพระเจ้ามีศาลใช่ไหมนั่นถือว่าเป็นผู้ที่สําโดดนะครับเป็นพานิย่าด้วยนะคือพร้องไม่ละโมกในแวดขว้างไม่คิดจะไปตีเอาบ้าเอาเมืองคนอื่นนะครับนั่นเป็นลักษณะของพระราชาที่ไม่สําโดษใช่ไหมม่ไม่สันโดษแล้วกที่มันก็ไม่มั่งน้อยไปเรื่อในตัวแหละนะที่จะไปตีเอาบ้าเอาเมืองเขา นั่ถึงเป็นพระราชามีสร้างมีอะไรมากนะก็เป็นผู้ที่มากน้อยสุดโดดได้ครับคือไม่ทยานอย่างไม่เอาไม่เหนื่อยนี่นะต่อไปนะครับอันนี้เพราะเห็นนั้นข้าพเจ้าจึงกล่าวว่าแต่ไม่เป็นอาบัตแก่พิสุผู้ไม่ทําสติในการรับทำแต่ในการบริโภคนะครับตามบริโภคปัจจัยของพระเสขะจะจําพวกตั้งแต่พระโสดาปฏิมาทุมุขม์นะครับ ถึงพระอหรหันตมรรมะขบคนนะเนี่ยชื่อว่าทานยชั่บบริพ่อจึงอยู่ข้าเสกษาเจ็ดจาพวกนั้นเป็นโอรสขอพง พ, พาาุทธ้าคเจ้าเป็นโอรสบุตรบิดานะของพุทธภาคเจ้าเพราะฉะนั้นจึงเป็นทานย่าแห่งปัจจัยอันเป็นของพระพุทธบิดาบริพ่ออยู่ซึ่งปัจจัยเหล่านั้นครับก็ถือว่าเป็นบุทริดาของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นก็ได้ชื่อว่าน ะ, นะครับ เป็นทางญาตบริโภคปัจจัยของบิดาตัวเองอะไรนะช่วยเป็นทางญาตต่อไปถามว่าก็กระแสข่าวเหล่านั้นบริโภคปัจจัยของเมื่อพระเจ้าหรือบริโภคปัจจัยของพวกขรรถ์หล่กโยเข้ามาถวายเนี่ยแล้วบอกบริโภคปัจจัยของพระพุทธเจ้าได้ยังไงอ <c oughs> ยก็มีศัทรูที่มัาามาานใส่อาฆาเข้ามาถวายนะก็ตอบว่าปัจจัยเหล่านั้นแม้อันพวกต้องการถวายก็จริงครับเออ ขนาดถวายก็จริงนะแต่ชื่อว่าเป็นของอพระพาเจ้ า, าพระพระพาเจ้าทรงอนุ ญ, ญาตไว้ใช่ไหมครับเนี่ยนะเพราะว่าถ้าพุทธเจ้าไม่อนุ ญ, ญาตไว้เนี่ยเราก็ใช้สอยไม่ได้ใช่้หมันบางสิง่งบาอย่างพรองไม่ทรงอนุ ญ, ญาตว่าถ้าไปเสร็จไปใช้สิ่งนั้นนะมันเป็นอาบัติอย่างเช่นเงินทองหรือลัตตนาต่างๆใช่ไหมครับพระองค์ไมอนุ ญ, ญาตนะใช่ไหมครับเงินทองอย่างนี้นะเราก็ไม่สามารถที่จะใช้ได้นะเป็นอาบัติ เราใช้ปัจจัยได้เฉพาะที่พระทรงอนุญาตเท่านั้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยเหล่านั้นแม้ทา ย, ยกถวายนะแต่พอ้าตรเจ้าสองอนุญาตเราถึงใช้สอยได้ก็ถือว่าเป็นของพระพุทธเจา้าครั บ, รบนี้นะแล้วก็อย่างนั้นถ้าเราเรียนที่แบบนี้ก็ได้นะครับว่าไอ้ที่เข้ามาถวายแล้วพ่ออะไรพ่อเราบวชเข้ามานในทำวินัยของพระสมานสิริเจ้าเป็นสามว่าของพระองค์ใช่ไหมครับ คนก็รู้เนี่ยว่าเราเป็นสามหุ้นพุทธเจ้านะเขานิี้ยสายสัตว์ทางพระตนะไตเขาก็เลเ้เาปัจเจอเทียทาข้อของมาถวายใช่ไหมครับก็เขาเลสายพุทธเจ้าที่มาถวายให้เรานะ่นี่นะครับถามว่าถ้าคุณเป็นโยมเนี่ยแล้วคุณโดเดินถือบาตรที่ไปรอบหมู่บ้านนะครับจะมีคนใส่บาตให้คุณไหมให้หรือเปล่าครับมันก็ไม่มีใช่ไหละใช่โด น, ดน ด, าดน่าเลยว่า น, นะครับอันนี้เราบวชเข้ามานะะ เราเป็นสาวของพุทธเจ้าข้าร่ปสามจตางข้าพน้าตายนะครับและพุทธเจ้าทรงนิยางปัจจัยนี้ให้เราใช้สอยได้เรายินได้ใช้สอยนะครับเอีเพราะนั้นก็ถือว่ารป็พุทธเจ้านั่นแหละเพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงทราบว่าพระเสษฐาเหล่านั้นบริโภคปัจจัยของมีมาผ้าเจ้าก็ธรรมชายาศูนย์เป็นเครื่องสาทบในการบริโภคปัจจัยของข้าพเจ้านี้นะครับอีิการก็ยกมาธรรมชายาสูนร์พูดโอกัสว่า ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นธรรมทานยาของเราอย่าเป็นอารมิสทานย่าเลยเรามีความเอนดูอยู่ในเธอทั้งหลายว่าทำอย่างไรสาวกของเราจะพึงเป็นธรรมทานย่าไม่พึงเป็นอามิสทานย่าเป็นทาย่ารับมรดกธรรมนะค ร, รับไม่ใช่ว่าเป็นทาย่า ร, รับ ม, มรดกอารมิอย่างเดียวนะไปนะครับ อการบริโภคของพระขี่นาศทั้งหลายชื่อว่าสามีบริโภพ่อจริ ง, รงอยู่พระขี่นุศทั้งหลายเหล่านั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของบริโภคเพราะร่วงความเป็นท่านตัณหาได้แล้วนะครับบริโภคอย่างเป็นเจ้าของอย่างเป็นนายนะเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นท่านของเกียรติตัณหาแล้ใช่ไหมครับท่านก็ได้ชื่อว่าเป็นนายนี่ยนะท่านพูดถึงว่านะครับ <c oughs> เพราะความที่บุคคลผู้มีราคายังไม่ไปป่าแล้วเป็นผู้อยู่ในอำนาจของผู้อื่นใช่ไหมคือตัณหานะครับแล้วยังมีราคะอยู่นะแล้วก็เชื่อเป็นไปในอำนาของผู้อื่นคือส้องของตัณหาอยู่ความเป็นเจ้าของในการบริโภคปัจจัยจึงไม่มีเพราะมันยังเป็นทางตัณหาลองดูเนืแบบแ้อแยราวฉันนะ่ะอาราศาสตัณหามันเกิดขึ้นมากขนาดไหนครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยใช่ไหมยเยอะมากนะสติสทางแค่เกิดไม่ทันเลยครับ มีตัญหาเป็นร้อยดวงพันดวงหมื่นดงวงนั้นนไม่ทันเลยสติแค่แต่ละดวงสองดวงนี้นะครับพูดถึงในในของในประเสรับความที่บุคคลเป็นผู้มีราค า, าไปป่าแล้วเป็นเจ้าของในการบริโภคปัจจัยนั้นก็เพราะไม่มีความเป็นผู้ตงอยู่ในอำนาจของผู้อื่นคือตัญหานั้นนะครับเ น, นี่ยเพราะไม่ได้ตกในอหน้าของตัญหาใช่ไหมจึงที่ว่าเป็นนานะครับก็มีแต่การบริโภคได้ตามใจชอบ น, นี่แหลก็คือไม่ตกในอำนาจของตัาหารครับต่อไปจิ้งอยู่นะครับ อ, อันนี้ว่าอะไรนะชื่อว่าเป็นเจ้าของเพราะบริพ่อพาอร่วมความเป็นท่านุัหาได้แล้วบรดากังบริพ่อทั้งสี่นี้สามีบริพ่อและฐานะช่าบริพ่อย่อมควรแม้แก่ผิ้สุทุกจําพั่ว อีหนา้าบริพ่อไม่สมควรเลยบริพอ่อในแบบเป็นหนี้นะที่ไม่ได้พิจารณาไม่สมควรนะครับในข่ายยบริพ่อไม่มีคําำีิต้องพูดถึงเลยนะครับหนี่หนักไปใหญ่นะทีนี้นะครับถ้าเราเป็นบุรุษชนนะเราจะบริพ่อแบบทานยากบริพ่อได้ไหมเพราะอันนี้ไม่ได้บอกเลยว่าทีส่สู่ผู้มีศีลพิจารณาปจาัจจัยแล้วก็บริพ่อใช้สอยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นการบริพ่อแบบไหนในสี่ยานเนี่ยนะครับ เพราะว่าบททายชาติของพระเสขานะสามีของพระอาหารนะครับอีน้าก็ไม่ได้พิจารณาเธอญาตก็เป็นปราชิกแล้วนะครับและอันที่เราได้พิจารณาเนี่ยเราจะสงอข้อไหนข้อไหนก็สงข้อข้าใดในทายชาติบริโภคนะครับถ้าได้พิจารณาแล้วนะแล้วก็บริโภค ก, ก็สงข้อในทายชาติบริโภคนะครับหรือว่าบริโภคแบบไม่เป็นหนี้แต่แม้แตุู่้ชนนะจะเป็นสามีบริพกองก็ยังได้ ท่านบอกว่าก็ดูอย่างหน้าเด็ดอ้อมไม่ใช่เด็ตรงนะครับจึงอยู่การละความกําหนัดในปัจจัยแม้ของปุถุชนผู้ตั้งอยู่ในสันเลยขับปฏิบัติข้อปฏิบัติขตั้นตนะครับถ้าไม่มีความกําหนัดนะไม่มีความยินดีติดใจในปัจจัยเหล่านั้นนะครับอันนี้นะครับบริโภคด้วยจิตไม่ติดอยู่ในปัจจนะัยนั้นอันใดการบริโภคนั้นย่อมเป็นเหมือนสามีบริโภคกัง พอส่งข้อข้อได้เหมือนกันนะส่วนการพิจรารณาแล้วบริโภคของท่านผู้มีสีย่อมเป็นเหมือนทานยัชชะบริโภคนะครับเพราะไม่ทำโมโรดของไทยนทั้งหลายให้ผิดพลาดไปอืมครับเห็น ไ, ได้พอประมาณ <c oughs> เอาต่อไปนะครัต่อไปเ้าต่อไปนี่ใส่จะให้ดีเลยนะกีรันชีอันชีบริโภคนะครับตรงเนี้ยต้องจับตาดูให้ดีนะครับ บาถ้าเราต้องการรายละเอียดมากแล้วพวกนี้นะแล้วิสุทีิมังเณรเรียนมาแล้วใช่ไหครับไม่ไไมเรียนไมเรียนหรือยังไม่แค่การบริโภคสียาเนะี<ะ>่ยครับมีใช่ไหมครับมีมีเนี่ยคนชอบเรียนตลอดว่าะีไม่ <c oughs> มีครับมีหน้าหน้าประดลลาอยู่ในที่นั้นค ร, ร, รับวิสุที่มันี่คือดีมากนะครับพูดถึงสิ่สมาธิปัญญาในในการไปใช้ปฏิบัติขังกลางเพื่อเป็นคนทุกข์โดตรงครับ หน้าหน้าดีแล้วก็ใส่สใได้ดีครับอธิษฐานที่อะไรครับอธิษฐานก็เป็นเนื้นอเยืของปรมัตย์นะครับปรัตถธรรมสิจเตสิกนะครบต่อไปอธิบายว่าออธิบายนะครว่าด้วยการบริโภคอีกสี่อย่างการบริโภคไหมอ่กอีกสี่อย่างคือรักชีบริโภคละชีบริโภคธรรมิยะบริโภคอธรรมิยะบริโภค บรรดาการบริพ่อสี่อย่างนะั้นการบริพ่อของอรชีนะครับร่วมพิสุร่วมกับอรชีพิสุสมควรอันนี้หมายความว่าอย่างไรอรชีบริพ่อร่วมกับอรชีนะครับหมายว่อาอารชีคนนั้นนะครับมาฉันมาใช้ของพิสุที่เป็นอรชีนะเพิสุที่แปลอรชีนะครับเราสามารถจะเข้าของให้ท่านได้นะครับ เป็นของชัน้นของฉันของใช้ชแล้วก็แล้วแต่นะเราสามารถแบ่งไปให้ท่านได้นะครับเนี่ยนะไม่ถึงว่าแบ่งไม่ได้นะครับอัลาลัชีครับให้ให้ของได้นะให้ดาวของเขาไม่ได้ให้ค้าของก็ได้แสดงคำนะครับสอนคำไมให้เขาฟังก็ได้ครับอันนี้นะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า Jean อัอออลลัชีบริโภคนะครับแล้วก็ว่าเนี่ยอัลลาชีมาบริโภคอัลลัชีได้เมลของเราไปเนี่ยนะนะครับสมคูรนะครับ เราจสูตรปริองปริว่าในครั้งก็ยังได้นะไม่ได้แห้งตรงนั้นนะครับการบรพ่อตรงนี้ยังได้นะครับถ้าร่วมเก่าด้วยนี้ถึงไม่ได้นะครับไม่พึงปรับอามบัตเทอนะครับไม่ต้องปรับอามบันนะเอการบริพ่อของลัทธิพิสุร่วมกับรลัทธิพิสุนี่นะลัทธินะเราลัทธิใช่ไหมแต่ไปชั so this, like ้นไปฉันไปใช้นะครับไปเรียนทำอะไนเข้าอย่งนี้นะไม่ได้ ถ้บอกว่าย่อมควรนะควรครับตลอดเวลาที่เธอยังไม่รู้ตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้ว่าคนนี้เขาแปอาราชีนะเราก็ยังสามารถบริพวก อ, อะไรอยู่ได้พ่อไม่รู้เราเข้าใจว่าเขามีสีเขาอะไรเสมอกัใช่ไหมก็ยังไม่มีการปรับอามบัตรงนี้นะครับเพราะว่าธรรมดาพิสุผู้ไปอารัชีมาแต่แรกไม่มีคเนี่ยไปอารัจฉีเนี่ยแต่แรกแต่บวชอะไรนี่ไม่มีหรอกมาที่หนังต่างหากพอบวชมาแล้วใช่ไหมครับ มาเจอครูบาอาจารมหมูคณะบางอะไรบ้างเนี่ยนะการเป็นอารัจฉีนะครับเพราะฉะนั้นพึงว่าอาเธอในเวลาสราบว่าเธอเป็นอารัชฉีนะครับหรือว่าท่านทำการน้ำเมื่อในการทวารและวัจจทวารการทํานั้นไม่สมควรเลยพอเรารู้แล้วนะว่าถ้าเป็นอารัจฉีน่นะมีการรู้น้ำเมื่ อ, อาบมาทางการทางวาจาใช่ไหมครับต้องว่าการตั้งเตือนแล้วนะจะนิ่งเฉยไม่ได้นะครับต้องว่าการตั้งเสือแล้ว อย่างนี้ถ้าเธอไม่เอื้อเฟื้อยังคงกระทําอยู่ดีนะครับก็ยังแปลนลัชีเหมือนเดิมใช่ไหมเราบอกเราอะไรแล้วก็ยังทำนะครับลูกเราโมอาบัตอย่างนันอยู่เหมือนเดิมถ้ายังขืนทำการบริพ่อร่วมกับอาาัชีนั้นแม้เธอก็จะการแปลลัชีไปด้วยนะครับเพราะเรารู้ทั้งรู้ว่าเขาแปลลัชีแล้วก็ยังไปร่วมบางครั้งนี้นะแล้วก็จะแปลลัชีไปด้วยคือเป็นอาบัตทุกฏนะครับเราเป็นอาบัตทุกฏแล้วแล้วก็ตั้งใจใที่จะทําให้เป็นอาบัตอยง น, นั้นใช่ไหม แล้วก็แบ่งอรารัจฉีไปด้วยนะครับนี่นะข้อที่น่าจะนี้ลำบากนะครับอย่งพูดจบผมจะสรุปไม่ฝ่ายทีนะครับฝ่ายพิสูตใดกระทําการบริโภคร่วมกับอรารัจฉีผู้ซึ่งเป็นภาระของต้นเป็นรูปศิษย์นะจันเตวารศิษย์ที่วิหารนี่เะเป็นลูก ศ, กนะศก ล, ล, ลูกหาอีา่แหล่เขามิณฑบาตเข้าเอาปจาัจจัยอะไรมาให้ใช่ไหมท่านก็เล่านะครับแม้พิสูจนั้นอันที่สุดอื่นเห็นพึงให้นะ เพื่อให้เธอเป็นบริพ่อกับลูกศิษย์คนนี้นะแกนเป็นอาราชีแกเพื่อไม่ดีนี่นะครับก็ต้องไปให้อาจารย์นี้นะครับถ้าเธอไม่ยอมม้วนเว้นอาจารย์จะเห็นแกหมินนะรูกศิษย์ไม้ก็เอาลูกศิษอาราชีก็เอานะครับไม่ยอมร่างไว้นะครับแม้ไม่สืบรุ่นี้ก็เป็นอาราชีเหมือนกันเนี่ยไม่ใช่มันแค่ข้าไม่ไม่เป็นเองพิสูจนที่เป็นอาจารย์เนี่ยยังไปร่วมกับลูกสิษยที่เป็นอาราชีอย่างนั้นอยู่นครับท่านก็เป็นอาราชีไปด้วย ก็มีการจงใจที่จะร่วมอ่านั้ใช่ไหมครับก็เป็นอับัตรทุกกฎทุกกฎเรื่อยนะครับอารัจฉีพิสูจแม้รูปเดียวย่อมทําให้พิสูุนเป็นอารัชฉีได้แม้ตั้งร้อยรูปอย่างนี้นะครับใครไปร่วมบริพกอร่วมอะไรใดก็อารัชฉีด้วยทั้งนั้นนะครั้งรู้ทั้งรู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะก็ยังไปร่วมอยู่นะครับหนาตัวเดียวมีทั้งข้องอย่างเงี่นะครับนี่เ นะครับแล้วก็เชื่อว่าอนาัติในการบริพ่อร่วมกันระหว่างอลัทชีกับลัทธิย่อไม่มีเขาแปลาราัทชีด้วยกันอยู่แล้วแล้วบริพ่อร่วมกันยังไงก็ไม่มีอนับเท่าเท่านะครับเพราะลัทชียอยู่แล้วการบริพ่อร่วมระหว่างรัชชีกับลัทธินะครับด้วยกัน เป็นเช่นเดียวกับคติยาุมาสองพระองค์สวยร่วมกันในสุวรรณพานชนะนะครับ mm hmm. ก็ในภาชนะทองคํามดรับงดงามน่าเรื่อมใสนะครับพ่อมีสีมีความอาลัายเหมือนกันด้วยกันใช่ไหครับเ mm hmm. นี่ยนะการบริโภคเป็นธรรม อ, อันนี้เชื่อก่อนได้นะครับก็มายตรงเนี้นะทีนี้ก็จะว่าฟังนะครัว่าบริพ่อคนนี้ไหนะมีกี่อย่างเดีนน๋ยวมดูก่อ น, น ในคันาท่านจะแบ่งเป็นสองแบบนะครับทําม่านบริโภคแล้วก็อามิดบริโภคของเขานี่อะไรนี่เจนสัตย์วนาตัวไหนเอาอามิตบริโภคก่อนนะครับอามิตบริโภคเนี่ยไม่ยากนะการเอาขอเอาข้อของข้อของเขามาฉันมาใช้นะอะไรก็แล้วแต่นะครับจะเป็นของชันของใช้เครื่องนุ่งห่มปัจจัยสี่ปัใจัย้าทั้งหลายอะไรนะนะครับใบเล่าต้องเข้ามาเอามาฉันมาใช้ อย่างนี้เนะี่ยชื่อว่าอรรมะบริพ่อคนระับถ้าธรรมะบริพนะครับธรรมะบริพกก็มีแต่ลองปฏิบติหมอกร่วมกันนะครับทำสังขารกรรมร่วม ก, กันไปเรียนธรรมกับเขาอย่างนี้นะครับนี่แหละให้ เ, เขาบอกกล่าวสองกรรมฐานหรืว่าเรียนธรรมกับเขานี่นะอันนี้นะครับชื่อว่าธรรมะบริพ่อครับเพราะยังไงนะครับออร <c oughs> ก็จะไม่พ้นจากสองอย่างเนี่ยนะการบริพ่อการอะไรร่วมกันนะครับ ไม่ทํามากก็อ่านไม่ได e, ้แหละอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมที่จะพ้นจากนี้ไปไม่มีก็จะมีสองอย่างนะทีนี้ถามว่านะครับเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้นั่นนะก็จะให้เป็นอันบัตรที่กดนะถ้าเราไปทําถึงว่าเราบอกว่าเราเป็นที่สุดผู้มีศีลใช่ไหมนันเป็นไรเราย้ายไปอยู่วัดพอย้ายไปอยู่วัดอื่นปุ๊บเนี่ยไม่ใช่วันที่เขาประพฤติพระธรรมมีอะไรแข็งกร้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ ผู้นนามาอะไรบ้างแล้วก็อะไรลูกเราไปอยู่เป็นกระจุกสองสามหกเนี่ยมันต้านแรงก็ไม่ไหวใช่ไหมเลาเปฉันก็ปิญบ่ามาฉันร่วมกันใช่ไหมครับลงโบสวดร่วมกันสดกรรร่วมกันอย่างนี้นะนโดนตลอดเลยครับโดนตลอดเลยที่ทไมรู้สเี้ยอันนั้นหนักกว่าอีกนะครับนี่มันมันระบาดทเรอที่อู่นเนยที่ที่เขาไม่รักษาําวินียนะครับ เห็นไหมว่าตัวราเนี่นเราบอกว่าเราจะรักษาทำได้ในอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไปโดนข้อนี้ครับข้อบนนี้พ่อเล่าก่อนนาจีนครับเราเพราะอย่งนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงครับถ้าไปอยู่นั้นก็ลําบากจะมรียยังไงเน่าจากตัวมีพังพ่วงเยอะมีกําลังมีอะไรใช่ไหมครับสา ม, มารถจะอยู่เป็นเอกเทศ น, นะไม่ต้องมารู้หมดข้อได้ถ้าลงบนสนนี้ลําบากหน้าดูนะลําบากหน้าดูเนะี่ย แต่เดี๋ยวจะบอกวิธีนะวิธีแก้ยังไงนะครับทีนี้ทีนี้ก็อ่านอินสิการให้ฟัง น, นะครับตรงนี้นะที่จะพูดถึงการยก ย, กย่องก็จะข้ามไปนะ แ, แล้วก็มาว่าคต่อพูดถึงธรรมะบริพกองนะครัถ้าบอกธรรมะบริพกองเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าอามิบริพกองอีกนะเพราะฉะนั้นนะครับ พึงกระทําการหลีกเว้นจากพวกอารัญชียิ่งกว่านะครับธรรมบริโภคนะการเรียนธรรเรียนวินัยเนี่ยเข้ารู้ว่าทําสังกรรมทุกอย่านีะครับต้องหลีกเว้นนะยิ่งกว่าอรัญบริโภคหนะครับเพราะถือว่าหนักนะอย่างนี่ครับอันนี้ผมคิดว่ามันจะมีแน่เลยนะไม่จบดีกลับมาดูในคาฐานนี่ยจบแล้วนะครับเพราะท่านมันจะต้องเขียนนึ่งตรงนี้นะครับอันนี้กลับมา ต่อไปในการบริโภคเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมผู้ศึกษาพึงสร้างบด้วยความน่าแทงปัจจัยนั่นแหลในการบริโภคเป็นธรรมและไม่เป็นธรรมนั้นพึงสร้างวินิจฉัยดังตอ่อไปนี้ถ้าแม้บุคคลก็เป็นอารัจฉีนะครับแม้บินาบากก็ไม่เป็นธรรมถ้าอาจจะได้มาด้วยอเนชนานะการแสวงหาที่มันสมควรหรือว่าไปขอไปบอกมันไม่ใช่ย่างไม่ใช่เปล า, นาอะไรอย่างนี้นะต้องนะครับ บิดาบาหก็ชั่วมันเป็นธรรมใช่ไหมบุคคลก็แพปรนัชีด้วยอันนี้ล่ามังเกียดทั้งสองฝ่ายนะครับก็ไม่ควรฉันอะไรนะไม่ฉันอะไรครับอันนี้บุคคลเป็นอนัชีครับแต่บิดาบาห์เป็นธรรมแกเป็นอนัชีก็จริงแต่บิดาบาห์นั้นเกิดขึ้นโดยชอบธรรมนะครับแกบิดามาหได้มานะโดยชอบพิสูจทั้งหลายลังเกียดบุคคลแล้วไม่ควรริ่มบิดาบาห์เพราะบุคคลแพปรนัชีน่ามังเกียดนะครับ เราก็ไม่นับอาหารขงเขากั น, นแต่ในมหาปัจจณีท่านกล่าวไว้ว่าคนทูตสีนะครับได้อุเทนสัพพัทเป็นต้นจากสงแล้วคือมีการแจกอาหารสงใช่ไหมท่า น, นก็ได้ไปถวายแก่สงนั่นเองอุเทนสัพพัทเป็นต้นนี้ย่อมควรเพราะเป็นไปนตามที่เขาถวานนั่นเองคือเขาได้จากสงแต่เขาไม่ได้ฉันนะในนีการที่พูดถึงว่าถ้านไา้สัพพัทนี้นะครับที่สัพพัท เขาแจกให้ท่านถ้ายังไม่ได้ไปฉันปลาอะไรหรอกท่านก็อธิษฐานถวายคุณสงไปครับอันนี้นอาหารนั้นก็ถือว่าสมควรให้ได้ไม่เป็ไรเพราะถือว่าเป็นของสงแต่แรกนะครับเพราะตอนนรกใหม่ของสงใช่ไหมให้ท่านได้เป็นฉันท์ท่านถวายคุณสงนะครับอันนี้ได้ขณนะ น, นี้นะจะได้เป็นของท่านเองเลยต้งแต่ต้นนยอันนี้คุณไม่ได้บุคคลเป็นลัทธิบิดาบัตไม่ไปทํานนครับ ถ้าจะไปอะไรนะนี่าขอคก็ไม่ใช่ย่างไม่ใช่โปวนานะมีถึงเป็นลัทธิมันก็พลากกดกันได้าทั้งหมดทีถ้าจะไปพลาดเกิดเป็นของก็ไม่ใช่ย่างไม่ใช่ปวนานหรือว่าพลาดไปทำมันในธนะสักอย่าง น, นะครับคือปกติเป็นลัทธิแหละแต่ว่าบางครั้งม า, านพลาดเกิดเป็นพลาดนะพอพลาดท่าก็รีทําคืนเลยนะครับอย่างเนี้ที่ว่าเป็นลัทธินะครับมันใช่ว่านาัทธิแต่เพราะว่าเกิดเป็นพลาดไปได้บิดาบาไม่เป็นธรรมนี่นะ วินาบานั้นน่ารังเกียจนะครับไม่ควรลับเอานะครับนี่นะบุคคลเป็นลัทชีแม้วินาบาต์ก็เป็นธรรมอันนี้ย่อมสคอมสควรนะสมควรอย่างยิ่งเลยอธิบายการยอ่ยอย่องและการบริโภคอีกอย่างละสองยังมีการยอ่ยอมย่องสองอย่างและการบริโภคอย่างสองอย่างทีคือการยอ่ยอมย่อมลัทชีหนึ่งการยอ่ยอย่องอาลลัทธิหนึ่งธรรมะบริโภคหนึ่งอนามิตบริโภคหนึ่ง แล้วก็เนื่อเมื่อกี้นะในการยกย่องแลาการบริโภคนั้นการยกย่องลัชชีแกะลัทธิสมควรนะครับอันนี้คือภาษาบาลีนะหมายความว่าอลัทธินะครับไมย่ยอดพิสุจธิ์ที่เป็นลัชธินะสมควรนะครับเนี่ยบางรูปบางท่านนเป็นอย่างนี้นะอาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์หรือเป็นเจ้าคณะเจ้าอนะไรถ้าบอกว่าท่านทําไม่ได้นะครับแต่ท่านจะส่งเสริมสนับสนุนนะคนที่ทําอย่างนี้ได้นะครับ จะไม่มีการมาเบียดเบี่ยงอะไรเราเลยนะท่านให้ความสะดวกเต็มที่นะครับอย่างเช่นที่ผมอยู่ที่วัดพระธ น, นะเขาก็เอาเนื้ความสะดวกให้เราเอาสารทาวินัยเต็มที่นะครับเขาบอกว่เห็นด้วยเขาส่งเสริมนะแต่เขาก็ยังเล่าคนอื่นทําไม่ได้นะครับเนี่ยถ้าเขายกย่องของนักเสด็จอะไรเราใช่ไหมผ้าเรานี่ดีนะมีสีมีธรรมะเพืปฏิบัติให้ขั้นนะครับทำตามสามพุทธเจ้าก็ยกย่อมที่สุดละชีนล้แต่เขาแปะละชีอย่างนี้สมควรนะครับ สมควรใช่ไหมนะครับเธอไม่ควรถูกกล่าวอาบัตนะครับอย่างนี้ก็ถ้าว่าลัทชีเป็นลั่นชีดีแหล่นะครับแต่ไปะ ย, ะ ย, ะยะอ่อกลาวลัทชีซะนี่อ้เนี่ยย่อมเชื้อเชิญด้วยอนุโมทนะอาอ้าวท่านอาจาร ย, ย์เ <c oughs> ชื้ออนุโมทนาหน่อยเชื้อเชิญที่ทำมาคาถ า, าท่านแสดงธรรมนะครับอุปตธรมในสกุลทั้งหลาย แม่อะไรทีนอกนี้ก็การสนับสนุน เ, เธอในบริษัทว่านเนี่ยพอสนับสนุน เ, เข้าเข้าก็สนับสนุนตัวกลับมาใช่ไหมอาจารย์ของพวกเราย่อเป็นผู้เช่นนี้ได้เช่นนี้นะครับี่สุดนี้บันทึกเพิ่งทราบว่ายอ่อธรรมศาสนาให้เสื่อมลงคือให้อนตนลรธานไปนะครับคือหนักมากหน้าตรงนี้จากที่บ้านฟังเนี่ยในดีการก็จะพูดถึงนะครับว่าทําไมถึงเปไหนนี่นะครั บ, อนะนะรบเออ ถ้าบอกว่าอะไรนะนี่ครับอารัชีพิสูนะครับนี่อารัชีนะอารัชีพิสูนี่แหละขี่ไปย่องย่องอารัชีนั้นนะครับย่องย่องทําไมครับด้วยความเป็นผู้หนักในอาวุธก็ดีนะเพราะว่าได้ของจากอารัชีไงโอ้ถ้าส่งของใช้ให้เราอยู่เรื่อยนะดีดทั้งนั้นเลยมือถือรุ่นใหม่ล่าสุดโนเกียนะครับแพงก็แฝกโอ้นี่ลำบากนะหนักในอาวุธนะครับ เนี่ยนะหรือว่าหนังในแอามิดเขาส่งของอะไรมาให้นะครับหรือว่านครัด้วยอาศัยความรักอาศัยเรื่องอาจจะเป็นญาติพี่น้องอะไรกันนะหรือว่าเป็นผูู้บาอาจารย์รักเหมือนพ่อแม่อะไรอย่างนี้นะครับมีความ ร, นะ า, า, า, ร, ร, ร า, างอย่างรรนี้นะท่านที่เข้าไปอาราชีก็ยังไปสนเสริญเขาพ่อใสยอย่างนี้นะครับนังในแอามิรอย่างนี้นะท่านบอกว่าที่ที่นังในแอามิดก็คือเพราะอาศัยการที่อาราชีนั่นแหละเข้ามาสนเสริญท่าน ศาสนาโยกย่องอะไร น, น, นี้เป็นต้นนะเพราะเป็นต้นนะครับแล้วก็เพราอาศัยความรักอาศัยเลือนมีรักให้ฉันที่น้องพ่อแม่นะนี้นะครับก็เลยสัย่งอาศัายอาณาจีไปอย่างนี้นะชื่อว่ายังบัตรศาสนาให้อาตมาทานไปนะครับแล้วก็อุปถัมปฐานในสกุลทั้งหลายใช่ไหมให้อุปถากรยมพ่อยมแม่อะไรนะถึงส่งเสริมให้นนี้บอกอยาก่างมันยมลนูนี้ดีนะมีคุณธรรมเนี่ย ไปพูงงดงามด้วยศีลจารวัตท <c oughs> ่านนี่เป็ราชีนะทําผิดอาบัตาอะไรเยอะแยะนะครับ <c oughs> โอ้ยท่านเก่งมากอย่างนั้นอย่างนี้นะครับปริยัตปฏิบัติอะไรเนี่ยดีหมดโยกรูปนี้นะนะ่าศรัทธาเรื่อมใสมากเลยนี่หนะครับโอ้ยโ ด, ดเลยนะคนนี้เลยครับชื่อว่าธรรมปัสสนสถานไปเพราะอะไรนะครับ <c oughs> ท่านบอกว่านะครับเพราะว่าอาร่าชีนะได้การอุปรถาอุปฐานนะครับ ในแต่ครูทั้งหลายมีพฤติกรรมเป็นต้นและก็ได้กําลังนครับเขาก็มีกําลังขึ้นมายเมื่อมีกําลังเกิดอะไรขึ้นเขาครบอบงำพิสูจทั้งหลายผู้มีศีลเป็นที่รักกระทําการนะครับเพิกถอดประชามินัยอันเป็นอาศาสนานะครับต่อการไม่นานนั่นเทียวนี่นะครับพอถ้ารันชีได้กําลังขึ้นมาเขาแปลรันชีทําผิดทําผิดวินัยอยู่แล้วใช่ไหมครับ ยิ่งไปส่งสนับสนุนเข้านะเขาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่เขาจะเบียดเปมิสฉุคุณมีเสียเป็นที่ร่างอยู่ไม่ได้ลําลบากนะนะแล้วก็จะเพิ่มถอนทำวินัยบางข้อก็ไม่เอานะนะครับถึงเขาไม่ได้ขอนพอท้องสีขาวมันก็จริงนะแต่เขาไม่กดพื้นไม่ใส่ใ จ, ใจปฏิบัติแล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการแนะนำสั่งของลูกศิษย์ทำอย่างนั้นนะเป็นการเพิ่อถอนทําวินัยไปในตัวนะครับเนีย่ยยิ่งเขาได้กําลังมากขึ้นมีบริวารมากขึ้นอะไรมากขึ้น ที่สุดที่มีศีล ด, ดีก็อยู่ลำบากใช่ไหมถูกข้อความนี้ก็ถูกเบียดบีย น, นะครับและก็ทาการเพ่าถอนทาวินัยอะไรนะครับโฆษนาอยู่ได้ยังไงนะครับพ่านะนั้นวเองมีชื่อว่านะทำโฆษนาให้เสื่อมนะครับคนนี้ทำอย่างนี้นะครับไม่ได้หมตัวไม่ได้ดไไดดพรอะฉะนนจะต้องดูให้ดีนะเราควรเสนอใครนะครับดูคนข้างนอกนะท่าที่เขานะนำอะไรเพือตาทาวินัยนร ถ้าว <c ười> ่าเข้ามีคนจริงเกี่ยวเรื่องปริยัติมีคนมาถามเราแล้วก็บอกไปตามนั่แหละนะแต่ไม่ต้อไปยกย่องอะไรโอ้โหย่อย่ายี่นี่นะครับโอเขาก็บอกว่ารูปนั้นสอนดีนะสอนเก่งนั่นอย่างนี้แค่นั้นนะครับก็บอกไปตามค่นั้นแหละแต่ว่าดี๋ยไปยกย่อกขนาดโอ้ยดีเก่งสุดยอดเลยสู้รูปนั้นยังไม่ได้นะเลยรูปนั้นถึงจะเก่งจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่สู้รูปนี้ไม่ได้อันนี้เขาจะสอนเก่งมีใบวิธีมีเทคนิคหนึ่งศเข้าใจได้หมดเลยนะครับ นย่องส่งเสริไปโดนะครับอันนี้โดเลยนะแล้วก็ชื่อว่าทําสนับให้เสี่อมด้วยครับความจริงนะถึงจะแก่มีความรู้มีอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ายังเป็นอรัญชีนะยังไม่เดือพืชแข่งข้าแสารทำยี่ในจริงๆน ะ, ะเขาจะไม่มีสมัะสงา่าาสีนะครับไม่รู้เนือข้างการบริษัทธิ์หรอกนี้นะพอเขาเข้ามาในข้างการบริษัทธิ์ผู้มีสีนะครับเขาจะเก้อเขินแล้วก็อายไม่ไง่ายต้งนะครับ ถึงอาจจ ะ, ะมีความรู้อะไรสูงนะคมัมภทํามาชนยะคัมภีร์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ให้เข้าเข้ามาในบริษัทของเราเนี่ยโอ้ยก็เคยไม่ต้านนะครัว่นะเออตัวไม่ถูกเลยนะครับเพราะตัวเองมีโทษมีอะไรนะจะต่ายเอาภาคที่เข้าแบบมีสีเข้าบริสุทจริงๆนะครับเอาเพียงคำทำที่ไหนถ้ามีความรู้ด้วยนะถ้าจะองคอาจนะครับนท่าการสงท่ามกลางบริษัทไหนก็แล้วแต่นะแล้วก็ดูงดงานมาก เราก็ดูเนี่ยท่าเสียรักภูบาลการที่มาในงานสัมมนาใช่ไหมครับเช่นอาจารย์พยอมนี่นะเขาจะมีท้ามีความรู้ใช่ไหมครับแล้วก็คือปฏิบัติได้นะแล้วนั้นพูดทางอะไรออก็คงอ่ะท่านก็ไม่ต้องประหม่าไม่ต้องกลัวใครนะครับมันจะแตกคนบางคน <c oughs> ไม่ย่กตัวอย่างก็แล้วกัน <c oughs> อามีผมฟังแล้วผมก็มีบางมีเขาเขาชอบย่องๆ่องที่สุดที่แปลหน้าฉีที่เขาสอนเก่งอะไรเก่งอะไรเนี่ยนะ ผมฟังแล้วก็ไม่ประทับใจครับเพราะรู้ว่าอ่วินัยเขาก็ยังไม่ได้อะไรไม่ได้แล้วครับก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ออกอ่านนไม่สงาา่างามการบริษัทเหมือนกับพระนักบุบาอาจารย์ที่ท่านทมได้จริงครัเนี่ยจะไปยินครับฟังขึ้นนะการเคลือค่อนไหวใน ไม่รู้ว่าทำอย่างนี้ถ้าเพอขอแล้วือเข้าไม่ข้างเข้ายกแล้วมัไปไนครับถึงแม้ทางีมาก็แลกเี่้อย่างเช่นพวกมัายางพวกไหนีอย่้าสรับิว่จะมีคสรุ่นใหเียขึ้นไอ่านมาพิทาร์สูตรได้นนิ่มเพินได้ถ้ามาเช็คเพิ่อนได้คเอาจากจุดนี้จเดียว มีโทษมากเลครับเนี่ยแตศาสนาืการเือถที่จะทเป็นการเพือทำห้ดนครับก็คือทําินัยของพจ้าก็ยังเป็นทำวินัยเหมือนเดิมนะครับที่เขาเพ่อถอนก็คือเข้ามาผูกปฏิบัติต่างเข้าม่ใส่ใจเขาลบละเขาไม่ออนนาตานี้เขาได้ไปนะครับก็ถือว่าก็ยังเป็นทำวินัยอยู่เหมือนเดิมนะคือไหนเขาไม่อ่อนเลยนะครับอาราณ์ก็ยังเป็นอาบัต์เหมือนเดิมนะครับนี่ ตรงพิจารณาพวกเอเอร์วเห์ตเทศน์น้ก็เป็นไปอะไรต้องพิจารณาไม่ได้ก่อนว่าหลังกมไม่ได้อ่างๆเหมือนกันครับพวกนี้เหมือนกันเลยนะมันก็มีขบักนะครับคือในตอนในตอนหนึ่งก็น่ากะอารมขึ tamam> ้นนะครับถ้าดูพิจารณาแล้วก็ถือว่ามันจะนี่ใช่ทุกอย่างเลยครับ นี today, hmm. ่นไงก็ต้องเข้ากรรมฐานนี่ไงก็ต้องปฏิบัต well. ิครับคงสิสิ่ทั้งสี่อย่างบริสุทธิ์่ง ที่ว่า มันก็จะมีด้านก่อที่พวกม า, าก็มาทานะเานี่ยอาศัยคนนึงอย่างนี้ชีวิตนะครับถ้าทำตัวไม่ดีอไนนะไรเนี่ยผมว่ามีสิโดห์ได น, นะครับเพราะเขาก็ทำด้วยเขาหวังดีเันในทอนนี้คนเขามีศรัทธาะะมันบริจาคนะครับมาทำให้ออ่อกไฟกำลังกินการ ย, ย่อง ต, ต้องถึงนะสองอย่างนะครับต่อไปก็บรรดาธรรมะบริโภคและอามิตบริโภคในบุคคลใดอามิบริพ่อสมควรในบุคคลนั้นแม้ธรรมะบริโภคก็สมควรนะครับท่านกล่าวไว้ในเอกสาทั้งหมายว่าก็ความีดิดใดตั้งอยู่ในสุดท้ายจาะฉิบหายไปโดยการรุ่งไปบุคคลนั้นจะเรียนเอาความผิดนั้นเพื่ออนุเคราะห์ทำควรอยู่นะครับ ในการอนุเคราะห์ธรรมนะมีเรื่องต่อไปนี้ธรรมดาในการเรียนธรรมนะกับพิสูจน์อรสีชื่อว่ า, มมาธรรมบริโภคนะครับเราเรียนไม่ได้แต่ถ้าในกองนี้มันจําเป็นจริงนะครับเราเรียนเพื่ออนุเคราะห์ธรรมมากเนี่ยได้นะครับในกรณนี้ยกตัวอย่างว่าเป็นคำปีสุดท้ายที่ไม่มีใครทรงไว้ได้นะครับจะแบบแตกฉานนะเหลือเฉพาะอรสีรูปนี้รูปเดียวที่เขาสามารถส่งไว้ได้ถึงแตกฉานนะครับ เนี่ยเราจะไปจะต้องเรียนงั้นคำพิษจะสะสมไปเลยชครับจำไปจะปต้องเรียนถ้าลักษณะนี้นะเขาเรียกว่าเดี๋ยวการข้อธํานะครับก็ได้ในการมีเลือดออกไปนี้นะครับได้ยินว่าในยุคมหาภัยมีพิสุผู้ชํงงานาญมหานิเทศเพียงรูปเดียวเท่านั้นครั้งนั้นผู้ปัญญาของพระติสักเทระผู้ทรงมีการสีชื่อว่ามหาติอิตกะเทระ กล่กับพระมหาลัคคิตาเถระว่าเอาสมมหาลัคคิตเธอจงเรียนเอามหานิเทศในสำนักแห่งพิสุนั่นเธอเธอเรียนว่าที่ทราบว่าท่านลูกนี้เลวสารขอรับกับผมจะไม่เรียนเอาอาเรียนไม่เถิดคุณฉันจังนั่งใกล้ๆเธอดีล่ะขอรับเมื่อท่านนั่งอยู่ด้วยกับผมจังเรียนเอาแล้วเริ่มเรียนติดต่อกันทั้งการคืนกลางาวันคนนั้นก็ขยันสอนกันนะ เป็นปรัญหาที่นะคมิคาลูน น, นั้นนะแต่แกก็ยังมีใจสอนใชครับขยันสอนนีพอวันสุดท้ายเนี่ยครับเห็นสตรีภายใต้เตียงแล้วโอ้โหเนี่ยแล้วผู้หญิงมานอนนะ<ม>เรียนว่าท่านคอราทก็ท่านก็พูดกับอาจารย์นะถ้านตรงนี้ครับที่เป็นนักนเรียนพูดกับอาจารย์ว่าผู้ประวัติชาครับกระผมได้สระมานก่อนแล้วทีเดียวถ้าว่ากระผมเพิ่งรู้อย่างนี้ จะไม่คไปเรียนทําในสํานักคนเช่นนี้เลยนะครับก็ไม่ศาสนาที่จะเรียนนะอ่ะาก็ทระมหาเถร่เป็นอันมากได้เรียนอาในสํานักของพาะเถร่านั้นแล้วคือเรียนต่อจากท่านนะครับพระมหาจิตานะทำเป็นรูปเดียวกับเรียนการละกีรูปนั้นใช่ไนหะครับพอได้ความแล้วก็พระเถร่าที่เหลือก็มาเรียนจากท่านะครับเนี่ยนะได้เรีนสถามหาวิเทศไว้สึกนจนถึงทุกวันนี้นะครับอันนี้นะ เนี่ยถ้าในกรุ๊ปนี้ได้แต่ในกรุ๊ปยุคสมัยนี้คงจะไม่มีเนื่องเพราะใจเกี่ยวกับสถาบันการก็การเลื่อนเป็นหนังสือทั้งหมดแล้นะครับอยู่ในตู้ในอะไรเข้าเข้าครับท่านจะบอกว่าเกี่ยวกับรื่องข้อธรรมนะยังมีเยอะกว่านี้อีกนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวนะเลือกมีึ่ก็ยังพอทำได้นะครับ นี่ถ้าพูดว่าในดีการเนี่ยผมชอบใจจำนวนนี้มากเลยท่านบอกว่าครั้งเมื่อก็ศาสนาเสื่อมลงเพราะความหนาแน่นขึ้นในสาละชีนะครับใจจำนวนนี้ไว้นะครั้งเมื่อก็ศาสนาเสื่อมลงเพราะความหนาแน่นขึ้นในสาละชีนะครับเมื่อนะครับลัชธิพิสูจน์ทั้งหลายไม่เพียงพอนะครับอาการที่จะนําเอานะ จะไปพาเอาปิสุผู้เป็นอารัชีซึ่เป็นปกตะตังนะครับให้มาเป็นคณะบูรการในการทําอุปสมบทห น, น้าอุปสมบทเป็นต้น อ, อันนี้ก็ได้นะครับนะครับด้วยนะหรือว่านะ ค, ะครับสองข้อนะพวกอารัชีนะสงองข้ออารัชีบางพวกด้วยธรรมะและอามิบบริโภคแล้วก็ข่มนะคะรับอารัชีที่เหลือนะเพื่อย่องย่องพระศาสนาเนี่ยย่อมครัวนั่นเทียว เนี่ยในกรณีนี้ครับอันนี้เป็นยังไงอย่างเช่นเวลาเราบวชผ้าเนี่ยถ้าเราครบครอบบริมูรณ์ใช่ไหมครับแต่เราไม่สามารถจะบวชได้นะต้องใส่ผู้ประชาตามที่เขาแต่ตงตั้งไว้ใช่ไหมครับแลเราไม่ต้องไปเอาเข้ามาเข้ามาเนี่ยอธบาส น, นะครับมาช่วยหบวชให้นะอันนี้พอบวชไปแล้วเราก็เอาภาคของเราที่เป็นหน้าชีแล้วก็ได้ผ้าที่เป็นราชีเพิ่มเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเพียงแค่ที่มันเป็นปประชาร์บวชให้อย่างนี้เฉยๆนะ ทำอะไรจะทำกรรมร่วมกับท่านไม่าาได้นะแต่นี่กรณีพิเศษก็ไปร่วมทํากรรมเพื่อเอาราชีของเราเห็นกลับมานะครับให้เพิ่มขึ้นในกรณีนี้ได้นะครับเราก็ไม่ได้ต้องอาบัตรอะไรนะที่ไปร่วมงานบวชเป็นลาภชาหรือพระข้างนอกมาครับแต่ว่าเพื่ออนุข้อธรรมนะครับหรือแม้แต่ว่าสงฆ์ครอบอรายชีบางพลุ่นะที่เราเห็นว่ามันก็ยังพอคุยกันได้นะอย่างนี้ครับอา่เช่ น, <c oughs> นที่ผมบอกว่าไง ท่านทําไม่ได้ก็จริงแต่ท่านก็ส่งเสริมสนับสนุนพวกเราใช่ไหมครับที่จะมาพึกปฏิบัติตามวินัยนะเนี่ยราจะส่งข้ออราชีพวกนี้นะครับบางพวกนะด้วยทํามาบ้างลงกรรมลงอะไรร่วมบ้างนะครับให้ค่ายของบ้างแล้วท่านจะส่งเสริมสนับสนุนมราใช่ไหมแล้วก็จะมีกําลังเนี่ยไปข่มพวกอราชีที่เหลือน ะ, นะครับอย่างนี้ก็ถือว่าได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันนะในกรณงนี้นะครับ ทีนี้ก็คุณบาอาจารย์ท่านก็ยังบอกหน้าว่าไม่ใช่แค่ท่านก็ยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าเป็นลักษณะ น, นี้ก็ได้ถึงมไม่ได้มี อ, อ น, นิจจังตองนี้อาจารย์ก็บอกว่ายังไง่ะถ้าอลัทชีคนนั้นนะครับเราคิดว่าเราจะแ น, นะนําเราจะดึงเข้ามาเป็นลชัชธิกับเราได้นะอันนี้เราก็ยังพอแบบร่วมบริพ่กเขาได้นะครับอะไนี้เขาพอมีมาแล้วนะ ก็จะยังเข้ามาเป็นพวกเป็นล่าชีกับเราอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังแปลน่าชีนะเราก็ยังไปพูดไปคุยทําความคุ้นเคยเพื่อดึงเข้ากลับมานะครับแล้คนที่พอมีแววนะครับอย่างนี้ก็พอได้ครับก็ถือว่าพอได้อันนี้นะเป็นมติของอาจารย์นะครับไม่ได้เป็นเรื่งตัวนี้นะท่านก็ว่าได้ึ่งที่ก็ทํากันอยู่เหมือนกันอยานี้แต่ว่านั ท่าจะเทียบที่อันไหนท่าเอาเกี่ยวกับการย่ย่องพรศาสนาย่มพรศาสนาเอ่อไม่ใช่ครับคือถ้าเราสามมันดึงเข้ามาเป็นราชีได้เนี่ยราชีวิสุทธ์ก็จะมี ก, ำกํำลังใช่ไ้มครับลักษนาก็จะได้ตั้งอยู่ได้ต่อไปนะครับก็ไม่ยาก น, นะครับ อ, อครับอันนี้น้ครับไปช้ายกันแล้วก็จะมานี้ถ้ามาพูดถึงมหาอาลัชี แม่แฉลบรชีที่เป็นมหาห <c> ฮ <oughs> ่ท่านบอกว่าก็ฟิกสูดนดเป็นมหาอารชีนะครับคงแบบหนักเลยนะไม่ไหวนะไม่เอาทมวินัยนะอ่ากะทำการเทดถอนนะครับพระธรรมวินัยอันเป็นศาสนาของพระศาสดาว่านี่ร้ายมากไม่ใช่ธรรมาดา ไม่ใช่แค่ว่าล่วงละเมิด อ, อาบัตนะครอย่างเดียวนะแต่มีการเพิ่นของทอมวินัยของพระสมณะเจ้าด้วยนะครับบางทีก็บิดเบือนลบล้างกบเกิดใช่ไหมและก็สแสดงอะไรที่ไม่ถูกต้องตัวออกมานะครับอันนี้ตั้งแต่เามาหารายชีเลยนะครับถ้าบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้นะไม่ควรนะครับไม่ควรแม้กระทํางทำการอุปรการะนะครับมีการผสม บ, บทต้น แกพวกสัตว์ที่วิหารนีิเป็นต้นของพิสูจนนั้นนะครับด้วยนะครับและก็ไม่ควรกันนะที่จะให้การศึกษานะครับเราจะไปสอนไม่ได้นะคือถ้ามหาลาชชีเราเราจะไม่ยุ่งแลนะคนนี้นะครับแต่แมทรูปศิลป์นูนหาของเขาเนี่ยเราก็จะไม่รู้ข้อไม่อะไรครับให้อุปสมบทปริวาณมณฑลอภัยนี่ก็ไม่ทําให้นะครับหรือแม้แต่เรียนเอาสอนทําอะไรให้เ้าเนี้ยเราจะไม่เอานียนะครับถ้าทํานะครับ เป็นอาบาัตินั่นเทียวนะครับท่านเป็นลักษณะนี้จะบอกว่าเพิ่กระทําการข่มเท่านั้นนะครับถพอยนั้นนะการย่อกย่ออารัชีเนี่ยนะครับท่านก็ได้ปฏิเสธเอาไว้แล้วนะครับเพราะเขาเป็นอย่างนี้นะเขาเขา้มแขงมากถ้าเราไปสงข้อไปอะไรต้องดูหาเขาใช่ไหมเขาก็ยิ่งกําลังมากขึ้นมากขึ้นอย่างเดียนครับเพราะนั้นไม่ใช่ตัวอาจารย์อย่างเดียวแม้แต่รู้สึกว่หาเขาเราก็จะไม่ช่วยนะ ด้วยการให้ปริว้างมันน่าอับอายหรือว่าสอนทําไรใท้องอันนี้ไม่ไม่ทํานะครับแต่ว่าถ้าไม่ถึงเพราะว่าไม่ถึงเป็นมหาราชีนะถ้าเป็นธรมรมดานะครับยังไม่ถึงมหาราชีเพื่อสอนทำวินัยไม่ขนาดนั้นนะครับถ้าบอกว่ายังไงนะนะครับเ อ, อไม่ได้แพ่งถึงอราชีแม้ตั้งร้อยนะครับกรงไดนะกระทําการข่มมินตัชนียก์กรรมเป็ต้อง ถ้าหทำกรรมกับอลชีเนี่ยลองกรรมเขานะก็ได้นะครับก็คือกรรมเกี่ยวกับการข่มมีการลองลองกรรมเข้าหน้เลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีการทําสัญกรรมร่วมกันนะจําเข้ามาลองกรรมเลยนะครับอะไรนะองคเทปริญญากรรมยกวัดใช่ไหมปภานิยกรรมไหวเอาจากวันนะไอ้ลองกรรมพวนี้เขาได้ไม่มีปัญหาเราทำได้เลยหรืออุปการะนะครับด้วยการให้ปริว่ามันเอาพรามทุนี้ก็ได้นี่คืออะไร มาขอทางว่าเราก็ยังให้ได้นะไม่ถึงว่าห้าม น, นะครับหรือนะครับให้นะครับการศึกษาเขาเป็นได้นะครับเพราะว่าสอนทำนะสอนพลาบาลีติกะถาให้เขานี้ก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ต้องอันบันนะการทําอย่างนี้นะครับชื่อว่าธรรมะทันเดียวแต่ไม่เชื่อว่าเป็นการบริโภคร่วงอะไรนะครับก็พอได้นี่นะย่อบัวอันนี้ทําได้นะครับ ไม่มีอวบบัตรด้วยนงะแต่อย่างนี้นะครับถ้าเป็นการให้นิสัยนะการให้นิสยัยการถือนิสัยเนี่ยไม่ได้เลยนะครับให้นิสัยเข้าแบตราชีใช่ไหมเ mm hmm. จ้าเรามีคุณสมบัติพอสามารถให้นิสัยได้เนะี่ยก็ไม่ควรให้ mm hmm. หรือว่าเราจะไปถือนิสัยกับราชีก็ไม่ควรไปถือนะครับไม่ได้นะตรงนี้หนักเลยนะครับ พวว่อพอให้นิสัยถีอนิสัยกันนะมันก็ต้องมีการทาวัดทำอะไรต่อกันการคุ้นเคยใช่ไนะครับหรือนะครับอะไรนะให้การสมมุติสิบสามอย่างสมมติให้เป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆทั้งสิบสามอย่างนะครับมีเจเจหน้าที่ห้องครั้งเจ้าหน้าที่เสน่าชนะอะไรเป็นต้นนะอันนี้ก็ไม่ทำ น, นะครับท่านบอกย่อมไม่ควรพ่ออะไรนะครับเพราะเป็นเหตุแห่งการบริโภคนะครั บ, นะรบมีการยินดีวัดแล้วัดตอบเป็นต้น วัดและ ว, วัดต่อเนี่ยไงว่าัดก็ถือว่าถ้าเราไปเป็นลูกศิษย์เข้าใช่ไหมล้วก็ทําต้องทํามาเจดียวัดใช่ไหมครับดูบัตรดูแล้วรูอาจารย์เรืนะ่องแล้วใช้อะไรถูนต้องนะแล้วก็อาจารย์ก็ต้องทําวัดต่อลูกศิษย์ใช่ไหมครับเราป่วยไข้ไม่สบายเขาตาองมาดูแลนะมันต้องมีวัดและวัดต่อใชครับนี่มันก็จะมีการบริพอร่อหูกกันแล้วนะครับมันจะมีการบริพอร่อหนะูกกันแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ได้นะครับไม่ได้ น, ะะนี่นะ ก็ข้าก็าจะมาให้สุดท้ายในทีเดียว น, นะนสุดท้ายท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าดูเลอธรรมบริพกอมีการทําการร่วมกันเป็นต้นนะครับนั่นเทียวเพิ่งกระทาการหนึ่งว้นจากอรชีนะครับยิ่งกว่านะครับอาเมตบริพรอกองกระทําให้ต้องอาบัตด้วยนะครับเป็นอาบัตด้วย แล้วก็เป็นเห็นได้พรศาสนาเสือ่อมลู่พื้นท่านอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่น่เพราะฉะนั้นเนี่ยลำบากนะถ้าเราก็อยู่ที่จะทํางี้นแต <c oughs> ่ตอนตอนอายุยุ่พท่านะครับตอนนั้นผมคิดจะไปเรีนยนอภิธรรมนะในสํนานักแห่งหนึ่งที่มีชื่อเสียงอรู้เลยใช่ไหมต <c oughs> อนเรียนอพิธรรมสองปีจบนครับ น, นี่ก็มีเพื่อนเขาบอกไม่ต้องไม่ไปนะครับเขาบอกไม่ควรไป พ่อเดี๋ยจะไปสมมติบริพร่อกับกิจสุอาณาชีนะอะไรก็ยังต้องอันบัตรไม่บริสุทธิ์นะครับผมก็เลยไม่ไปเลยนะครับก็เลยทํายังไงเนี่ยไม่ได้ไปเรียนก็เรียนที่วัดนะครับกับอานโยนั่นคนช่วยสอนแต่เรียนได้ปดริเชนเดียวมีปัญหากับอาจารย์สอนแก อ, อยากพายกับพามากเพราะว่าแกเป็นอาจารย์สอนกอันเกิดพูดจาแบบไม่เคารอย่างเก่งเลนะนะครับเล่าไม่ได้เลยนะเล่าไม่ได้รู้สึกน่นเกิดไปนะครับ ผมก็อาศฟังเทพอังครับบริเชนหนึ่งสองสามสี่ฟเทพอังเนื้อเองนะสี่บริเชนนะครับได้มาเรียนปริเชนห้าที่วัดเขาครับจนถึงนุ่นนะมหาปฐาลาก็มาเรียนที่นี่นะครับเพราะนั้นพี่บุญชูเ้าสอนก็ดีนะดูชุดที่จัดแรนะครับนี่ครับนี่ครับแต่ถ้าใครบอกว่าเอผมไปอยู่วัดอื่นได้ผมทำใจว่าจะดึงเข้ามาเป็นทั่วไม่แน่นะครับ ต้องดูก่อนที่พอมีแวร์โรหนึ่งได้นะมันจะอาจจะโดนดึงไปนะครับไม่ใช่ว่าจะดึงเข้ามานะพ่อมีาพาสที่อยู่ว่า น, นี้นะครับหาดูกันนะักเคยอยู่นะครับแล้วก็ไปมีที่อื่นที่ว่าที่เขาไม่ได้แขงทันวินัยอะไรเต็มที่อย่างนี้นะแล้วก็ถูกตึงครับท่านก็ถึงแม้แรักนักท่องเขาจริงยังรักษาข้นี้อยู่นะแต่ข้อดึนไปนะครับก็ยังอะไรไปดูหนะ้องฟังเพลงอะไรเนกิจกรรมรักษาออยะไรนะครับไปเป็น อ, อย่างนั้นเลยนะ ถ้าไม่อยู่วัดเรานี่ก็ดีนะพืชทำนะครับอะไรอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเข้าวกำมันผุงประมาทอะไรด้วยนะไม่ใช่ทํามดาแต่พอไปอย่างนี้ในเสียอะไมันดึงกัะแสไม่ไหวใจก็ม่หยก่อนแน่นนะครับ <c oughs> เราไปไว้จันทร์เกล็ดหลงตนนะถ้าไม่ใช่แบบข้แข็งจริงหรอกการที่จะโดนคือมันง่ายมากตอนแรกเขาบอกว่าถ้าคนที่ไปโคบุญพาหรือไปอยู่กับอาลัชีนะครับตอนแรกเราเห็นว่ามันนัง่งเขียนการขาขคำว่าตรงนั้นนะ โอ้น้าเกลียดไม่ดีจะทำได้อย่างไรอย่างนี้เนะี่ยนักงินนัทองดูหนาฟังไปได้อย่างไรครับองแรกจะหน่าเกลียดพออยู่ไปอยู่ไปมันจะหยุดเฉยเอยู่ไม่มาดีเหมือนกันนแล้วก็ไปทำอย่างเข้า น, นะครับมีถูกปืนเลยจำพุณพจนิยายไหมคว่ายังเตงเสวะติตาที่โสคมคนเช่นใดย่อมเป็นเช่น น, น, งง น, นนั้นใช่ไหมครับพราะงนอคุกเขียงคนฟางหรือว่า จะไปพูดคีบกับพิษุอัลลัชีเนะครับแต่ไม่ใช่ไหมเพราะว่าให้ตั้งตัวเป็นศัตรูนั่นไม่ใช่นะครับลักษณะของบัณฑิตจะไม่มีการตั้งตัวเป็นศัตรูกับใครแม้จะเป็นอะไรที่จะเป็นภัยอะไรก็แล้วแต่นะครับจะไม่มีการตั้งตัวตัวกับใคนะเราก็ครบเป็นมิตรไว้ทั้งหมดเอแล้วก็ผูกมิตรไว้ได้ทั้งหมดนะครับแต่ไม่ครบด้วยเขมาใจไหมผูกมิตรไว้ได้ทั้งหมดถ้าตั้งตัวเป็นศัตรูกัยนะครับมัผูกไม่ได้เข้า แต่ไม่ครบด้วยคือไม่สูงสิงไม่คู่ขีเลยครับไม่อยู่ร่วมบริโภคล่วมอะไรนี้เนะครับครับแค่ว่าคนจักนะั้นแล้วก็ผูกมิให้ของอะไรได้พูดจจดีดีได้ครับจะมีการตั้งตุนสตูแต่ไม่ครบไม่มีสูงสิงคู่คีอะไรนะั่นไม่ได้นครับเนี่ยแล้วก็จะได้รู้นะของเสร็จไม่ได้ก็ครับของก็อะเขาไม่เหมือนกันนะครับ สอนคำก็ได้ไหมครับอาารยาได้ได้หครับอครับครับาวได้ได้ครับครับก่าได้ครับคสอนได้ครับกลายได้ให้ของได้ให้ปริวาณมณฑลอภารณีได้ครับอืครับ ความีเดียดเป็นการของการพนี้ครับแล้วก็อะไรอย่างนะี้แต่ะรับของเข้านี่ก็ไม่ได้เลยถ <c oughs> <c oughs> ้าให้ให้นิสัยนี่ก็ไม่ได้นะครับอตอนนี้ก็ได้นะครับต่อไปถ้าจะพูดถึงอีกหน่อยหนึ่งนะ